ไปถึงไหนแล้วนรีตั้งใจมา อ, อ่านปฏิบัติไปถึงไหนแล้วก็ปฏิบัติทุกวันครับไว้บ้างอ่ายังทำงานอยู่ทำอยู่ค่ะลดลดลดปริมาณลงไว้อยังเดือนหนึ่งโยมทำแปดวันค่ะอ่าทำแค่แปดวันนะ ไอ้เมียอะไรจะถามอะไรป่ะอ้จะถามป่ะมีสังเกตตูไม้ไม้ตัวที่ทาจวนมันมันผุแล้วจานอ๋อมันผุมานานแล้วอะมันมันจะไม่หักมาใช่ไหครับถ้ามันหักมันหักมานานแล้วอตัวนนี้เหมือนจะมันผุมากเลยตรงกลางๆอ๋อไม่เป็นไรแล้วมันเป็นงี้มาเป็นสิบปีแล้ว มันสางะสีมันเบามันเบามันไม่มีน้ำหนักมากไม่มีปัญหาแล้วกมันมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่มีใครเข้ามาช่วยฉีดยาการปวกให้ปวกมันก็เลยขึ้นพอเขาเห็นไม่มีปวกขึ้นเขาก็เลยมาช่วยฉีดยาให้ปวกมันก็หายไปแต่ไม้มันก็ มันยังคำยันกันอยู่มันมีหลายตัวด้วยกันอะไรไม่มีปัญหาเลยแล้วหลังนี้ก็สร้างมาตั้งแต่ปีส <30 6 S 1> องพันห้า้อยี่สิบหกี3สหกสามสิสองปีสาสิบสามปีไม้นี้เขาก็ตัดเอาไม้ข้างบนเขาเนี่ยมาทำเป็นเสา สนหลังคานี้เมื่อก่อนนี่เป็นรงด้วยหาในรงหญ้ามันต้องคอยเปลี่ยนอยู่ด้วยสี่ห้าปีมันก็โผล่ก็ต้องรื้อเปลี่ยนตนหลังก็เลยเปลี่ยนเป็นสังกะสีสังกะสีนี่ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเป็นครับเป็นครั้งที่สองก็ดีก็เบาเลยสบายดีแต่ลาดันนี่มัน มันโล่มันสบายมันไม่ต้องกังวลไม่ต้องเปิดปิดหน้าต่างไม่ต้องมีของมีค่าคำถามจากทาง Facebook Live นะครับคำถามแรกจากคุณแอปเปิลนะครับข้อที่หนึ่งเวลาปฏิบัติเห็นกายจิตเวทนาความคิดแยกออกจากกัน กายก็นั่งไปเห็นความปวดเมื่อยบางทีเกิดปิติก็เป็นแค่ผู้ดูเฉยๆไม่เข้าไปเป็นกับมันบางทีเกิดความคิดก็ดูความคิดว่าเดี๋ยวเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่ถ้าเมื่อไร่สติไม่หลงจนง่วงไปขอโทษครับแต่ถ้าเมื่อไหร่สติไม่พอจะถูกความคิดล่าไปทำให้ไหลไปแล้วมันกลายเป็นหลง จ, จนง่วงไปเลยค่ะพอรู้สึกตัวก็ดึงกลับมาที่ลมหายใจเหมือนพยายามฝืนมันอยากถามพระอาจารย์ว่าที่ปฏิบัติมาถูกหรือผิดประการใดแล้วถ้าความคิดเกิดเราควรแต่เฝ้าดูหรือดึงกลับมาคะก็ให้จิตเป็นผู้รู้ให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆจริงจิตกับร่างกายนี้เป็นสองคนร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับ คนไข้ส่วนจิตก็เป็นเหมือนหมอหมอดูแลคนไข้ไปก็ดูอาการของคนไข้ไปคนไข้มีไข้ก็รู้ว่าคนไข้มีไข้ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็รู้ว่ามันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ mm hmm. หมอไม่ต้องไปทุกร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายเวลาไม่มีสตินี่มันก็จะถูกความหลงมันหลอกให้จิตไป คิดว่าเป็นร่างกายแล้วก็เลยเกิดความอยากให้ร่างกายสบายให้ร่างกายไม่เจ็บพอมีความอยากเหื่อนี้เกิดขึ้นมันก็ทำให้ทรมานใจก็จะก็จะทำให้ทุกข์ทุกข์ใจแนงเวลาเกิดความคิดที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราเร า, เราเจ็บเราเป็นร่างกายเราเจ็บไปกับร่างกาย แล้วก็ต้องใช้สตินึงถอนออกมาวิธีใช้ใช้สติก็จะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้อย่าไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายหรือว่าจะใช้พุโทโธพุธโทโธบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายไม่ไปคิดว่าความเจ็บว่าเราเรากำลังเจ็บแล้วก็ไปอยากให้มันหายเจ็บ พยาามใช้สติหนึ่งใจออกมาให้เป็นเพลงแต่ผู้ดูผู้รู้ถ้ามีสติจิตก็จะเป็นอุเบกขามันก็จะสักแต่ว่ารู้พอมันสักแต่ว่ารู้มันก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายเวลาที่จิตกับกายมันจะมารวมกันเป็นตัวเดียวเราก็ต้องใช้สติแยกใช้ปัญญาแยก สติก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธทาบริกรรมหรือเพ่งดูอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งเพ่งดูล ม, มหายใจก็ได้เพ่งกระดูกก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดที่จะใช้ใช้สติชนิดไหนเราก็ใช้แบบนั้นหนึ่งใจให้ออกมาให้หยุดให้หยุดคิดว่าเป็นตัวเราของเราอย่าไปคิดว่าร่างกายเป็นเรา อย่าไปคิดว่าเรากำลังเจ็บควจริงร่างกายเจ็บแต่เราเป็นเพียงแต่ผู้ดูเหมือนเราเป็นผู้ดูภา พ, พยนตร์ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนตัวแสดงบางทีเราก็ไปเจ็บไปตื่นเต้นแทนตัวแสดงเป็นดูภา พ, พยนตร์ถ้าเราถ้าเร า, เาคิดว่าเราเป็นตัวแสดงเราก็ไปตื่นเต้นหวาดเสียวไปกับตัวแสดง แต่ถ้าเราได้สติบอกว่าเอ้มันเราเป็นเพียงคนดูตัวแสดงเขาเขาก็เป็นคนละคนกับเราเขาเป็นอะไรมันก็ไม่มาเป็นอะไรกับเรานี่ก็คือใช้สติใช้ปัญญาปัญญาก็สอนใจถ้าจะคิดก็คิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความเจ็บนี้เราไม่ได้เจ็บผู้ที่เจ็บคือร่างกายแต่ร่างกายเขากลับไม่เดือดร้อน กระดูกเจ็บหนังเจ็บเอ็นเจ็บนี่เขาไม่เดือดร้อนเขาก็ปล่อยให้มันเจ็บไปแต่ใจไม่ยอมปล่อยใจอยากจะให้หายพอใจอยากจะให้หายมันก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาที่มันร้ายกาจไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายแต่ความเจ็บของใจความทุกข์ของใจทำให้ใจทนทน ทนกับสภาพความเจ็บของร่างกายไม่ได้ก็เลยต้องหาวิธีแก้มันถ้านั่งเจ็บก็ขยับมันถ้าถ้าเป็นไข้เป็นปวดตรงนั้นตรงนี้ก็หายาแก้ปวดมาแล้วประทานกันจนสมัยนี้คนติดยาแก้ปวดแล้วก็ตายตายเพราะยาแก้ปวดอย่างนี้ประเทศสหรัฐนี่คนเข้า ติดยาแก้ปวดกันจงกระทั่งกินจนกะักกกติดเป็นเหมือนยาเสพติดแล้วกินมากๆมันก็เลยร่างกายรับไม่ไหวก็ตายไปเป็นประเทศที่พัฒนาแต่กับพัฒนาไปในทางที่ผิดแทนที่จะใช้ธรรมะมาสอนใจให้แยกใจออกจากร่างกาย แล้วมันจะไม่เจ็บไม่รุนแรงถ้าใจรู้ว่าร่างกายกับใจไม่ใช่เป็นคนเดียวกันให้ใจสักแต่ว่ารู้ใจมีโอบเบคาแล้วความเจ็บของร่างกายจะรุนแรงขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญห า, างนันผู้ปฏิบัติก็ต้องพยายามสร้างสติให้มากๆพอเวลาเกิดเวลาที่จิตถูกกิเลสถูก ความหลงหลอกให้ไปยึดไปติดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของร่างกายบางทีเรื่องอย่างอื่นก็ไปทุกข์กับมันได้เรื่องลาบยสศสรรเสริญเรื่องคนนั้นคนนี้พอเราไปยึดไปติดเขาไปเกิดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทุกครั้งที่เราเกิดความทุกข์ทรมานใจนี้ขอให้รู้ว่าเรากําลังหลง เรากําลังไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็ทุกเราก็เสียใจแต่ถ้าเราใช้ปัญญาแยกแยะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นตัวของเขาเองเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนมันจะตกมันก็มีเหตุปัจจัยทําให้มันตก พระที่จะขึ้นพระที่จะตกมันก็มีเหตุมีปัจจัยเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปทำให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นนี้ตามใจของเราได้ถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาเมื่อเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานใจไม่วุ่นวายใจที่เราวุ่นวายใจก็เพราะว่าเราคิดว่าเรา สามารถที่จะไปสั่งสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้แล้วในที่สุดก็ไปเจอความทุกข์เพราะว่าสั่งไม่ได้บางทีก็สั่งได้แต่เราสั่งได้ก็ดีใจหลงละเริงก็จะสั่งไปเรื่อยๆพอไปเจอเวลาที่สั่งไม่ได้ก็เศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เราควรจะสอนใจให้ถอนออกมาจากทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยุ่งกับอะไรเพราะเราใจของเรานี้สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้แต่ร่างกายนี้ไม่ต้องมีก็ได้ถ้าเรา ปฏิบัติทาใจให้สงบได้ใจของเราจะมีความพอมีความสุขในตัวก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกจากบุคคลภายนอกปัญหาตอนนี้คือใจของเรามันไม่สงบมันก็เลยหิวมันก็ถูกความหลงหลอกให้คิดว่าถ้ามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีคนนั้นมีคนนี้ เราก็จะมีความสุขแต่มันก็เป็นความสุขปลอมคือความสุขที่เปลี่ยนไปหมดไปพอเราเปลี่ยนเวลามันหมดก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานั้นเราควรที่จะมาสร้างสติกันเพราะสตินี้จะทำให้ใจของเราสงบใจสงบแล้วใจก็จะพอจะอยู่ตามลาพังได้ ไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายก็ไม่ต้องมีก็ได้ร่างกายนี้ที่มีก็เพราะใจไปไปเอามาใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกริมกายกันเพราะความหลงความหลงคิดว่าถ้ามีร่างกายแล้วจะใช้จะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขกันและได้ดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรส มันก็เป็นความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเพราะมันได้มาปับปป๊บมันก็หมดไปดูปั๊บมันก็หมดไปฟังปั๊บมันก็หมดไปก็ต้องคอยดูอยู่เรื่อยๆคอยฟังอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาที่ไม่สามารถดูไม่สามารถฟังได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะต่อไปร่างกายมันก็จะแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยเวลานั้นมันก็จะไม่สามารถ หาความสุขทางร่างกายได้คนเราจึงไม่ชอบความแก่กันไม่ชอบความเจ็บไข้ได้ป่วยกันไม่ชอบความตายกันเพราะเป็นเวลาที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขกันได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราสามารถมีความสุขอีกรูปแบบถนึงได้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายให้ใช้สติใช้สติควบคุมใจ ควบคุมความคิดให้หยุดคิดพอใจหยุดคิดแล้วใจก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขไม่ต้องหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับตนได้ความสุขจากความสงบก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่เดือดร้อนไม่เป็นปัญหาอะไร การสร้างสตินี้เป็นเรื่องที่มีคุณมีประโยชน์มากสตินี้ถ้าเปรียบเทียบประโยชน์ที่เราจะได้รับนี้มีคุณค่าราคามากกว่าเงินร้อยล้านพันล้านเงินร้อยล้านพันล้านมีทําสิ่งที่สติทําไม่ได้สติทําให้เรามีความสงบมีความพอมีความเฉยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับ สิ่งต่างๆที่จิตไปสัมผัสรับรู้แต่ถ้าไม่มีสตินี่เวลาจิตไปสัมผัสรับรู้นี้จิตจะออกไปในทางรักบ้างชังบ้างกลัวบ้างหลงบ้างพอรักก็ทุกข์ชังก็ทุกข์กลัวก็ทุกข์หลงก็ทุกข์เพราะจิตไม่มีสติคอยดึงว่าให้ให้รู้เฉยๆจิตถูกความหลง หลอกให้ไปรักไปชงังไปกลัวไปหลงกับสิ่งต่างๆที่ไปสัมผัสรับรู้ึงต้องใช้สติหนึงใจให้เฉยๆแล้วก็ให้ใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าสิ่งที่เราไปรักไปชงังไปกลัวไปหลงนี้มันไม่น่ารักไม่น่าชางังไม่น่ากลัวไม่น่าหลงเพราะว่าสิ่งที่เรา รักชังกลัวหลงนี่เราก็ไม่สามารถที่จะเอามาครอบครองไว้เป็นของเราได้เรารักอะไรเราคิดว่าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาความจริงเราก็เพียงแต่เอามาผ่านทางร่างกายเท่านั้นตัวเราคือตัวจิตนี้ไม่ได้ไปไปเป็นเจ้าของอะไรกับมันแล้วพอร่างกายตายไปของที่ได้มามันก็มันก็หมดสภาพไป แล้วเวลากลัวอะไรก็ไม่น่ากลัวเพราะอะไรจะเกิดก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เกิดขึ้นกับใจแต่มันเกิดขึ้นที่ร่างกายเวลาใครจะมาทำร้ายเราเขาก็ทำร้ายที่ร่างกายเราแต่เ็าไม่ได้ทำร้ายเราเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายแต่เราไม่รู้เราก็คิดว่าเราจะตายเราจะถูกทำร้ายเราจะเจ็บจริงร่างกายเป็นผู้รับเคราะ์แทนเรา ถ้าเราใช้ปัญญาเราก็จะพิจารณาเห็นว่าไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าชังไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ถ้าเรามีความหลงมันก็จะไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเวลาร่างกายได้อะไรเราก็ดีใจไปกับร่างกายเวลาร่างกายเสียอะไรไปก็เสียใจไปกับร่างกายอันนี้ก็คือปัญญา เราต้องใช้สติและปัญญาเป็นตัวสอนใจให้ให้แยกออกจากทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปหลงยึดติดหรือว่าไปอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราถ้าเรามีความสงบเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างได้ ถ้าเราปล่อยแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราปล่อยร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะอดอยากขาดแคลนมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าจิตสงบแล้วมันจะไม่มีวันหิวถึงแม้ร่างกายจะหิวขนาดไหนแต่จิตก็จะไม่หิวจิตก็จะอิ่ม ดันันเราต้องมาสร้างสติกันสร้างความสุขให้กับใจพอใจมีความสุขมีความอิ่มแล้วก็ใจก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีความสงบนี้เราก็ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันไปหาเพื่อนหา สิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเวลาอยู่คนเดียวเราจะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวเพราะความอยากอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเวแต่ถ้าเราทําใจให้สงบได้ความว่าเวจะหายไปอยู่คนเดียวสบายกว่าไม่วุ่นวายเข้ามา าจริงของเครื่องดื่มมีนมเรารับประเคนไม่ได้เรยมเก็บไว้ฉันดีกว่าอยมเก็บไว้กินเองก็ได้นะนมมันเป็นถือว่าเป็นอาหารอฉันหลังฉันันหลังเที่ยงไว้ไม่ได้หรือถ้าฉันมือเดียวก็หลังจากฉันเสร็จแล้วก็รับไม่ได้ของที่เป็นอาหารถ้าจะถวายก็ต้องวางไว้เฉยๆแล้วเวลาจะใช้ก็ให้ลูกศิษย์ประเคนให้ในเวลาที่ฉันได้ เช่นกาแฟทั่งนี้ถ้าอยากจะฉันก็ต้องรอพรุ่งนี้เช้าตอนนี้ต้องฝากลูกศิษย์ไว้ก่อนเพรา ะ, ะหมดศิษ์แล้วถือข้อธุดงเขวาวัดว่าฉันมือเดียวฉันมือเดียวพอหลังจากฉันเสร็จแล้วอะไรที่เป็นอาหารนี่ฉันไม่ได้นะแต่ถ้าจะถวายถวายได้แต่ไม่ให้รับกับมือใ ห, ให้ฝากลูกศิษย์ไว้ให้วางไว้แต่เดี๋ยวลูกศิษย์เขาก็จะจัดการเก็บไว้ให้ อของนี้มันเก็บไว้เดี๋ยวมันก็หมดสภาพยอมไปกินดีกว่า <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวหลวงพ่อให้คืนไปก็แล้วกันนะ <c oughs> นะเอาไปดื่มซะจะได้เป็นประโยชน์ <c oughs> ทิ้งไว้ต่อไปมันก็ละลายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมันก็ชืดเอาไปดื่มซะ <c oughs> จะได้ไม่เสียของอันนี้หลวงพ่อใด้มน่าก็แต่น้ำชาเนี่ยน้ำชาที่ก็ถ้าไม่มีนมก็ดื่มได้ถ้ามีมีนมก็ดื่มไม่ได้ สองที่ถวายผรานี่ท่านแบ่งไว้สามสามชนิดด้วยกันชนิดที่เป็นอาหารอาหารนี่ถ้ารับประเคนแล้วต้องบริโภคในตอนนั้นเลยถ้าหลังจากฉันเสร็จแล้วก็ต้องสละอาหารที่รับประเคนมาไปไม่ให้เก็บข้ามคืนไม่ให้เก็บไว้ฉันวันพรุ่งนี้ต่อถ้าอยากจะฉันวันพรุ่งนี้ก็ให้แบ่งไว้สมมติยังเอากับข้าวมาเยอะแยะอยเงี้ ย, ยแล้วฉันไม่หมดเนี่ย ก็บอกว่าเอาถวายแค่ครึ่งเดียวก็พออีกครึ่งเนี่งฝากฝากลูกศิษย<อ>์เขาไว้เขาแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะได้เอามาถวายใหม่ได้แต่ถ้ารับแล้วเก็บไว้ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ถวายนี่เก็บไว้ได้อยู่ อ, อาหารนี่เป็นของเก็บไว้ข้ามคืนไม่ได้แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเก็บไว้ได้เจ็ดวันก็มีพวกน้ำตาลน้ำอ้อย น้ำพึ่งน้ำมันเนยคนเนยใสเอาพวกนี้ท่านเรียกว่าเป็นยาเพสัชสมัยก่อนเขาอาจจะกินเวลาท้องท้องเสียหรืออะไรกินแล้วมันอาจจะไปเครือบกบอระเพาะหรือไปทําอะไรแก่ก็ให้ถ้ารับประเคนถ้ารับกับมือแล้วก็เก็บไว้ได้เจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่ถ้าโ ย, ยมาเอาเอาน้ำตาลมาถวายสองกิโลอย่างเงี้ย เอาไว้เดี๋ยวมันก็ฉันไม่หมดก็บอกให้เอาวางไว้ก่อนหรือแบ่งมาถวายพอฉันได้ภายในเจดวันก็พอมิฉ น, นถ้าถ้ารับทั้งสองกิโลพอครบเจ็ดวันก็ต้องสละไปเก็บไว้ไม่ได้แต่ถ้าอยากจะเก็บไว้แต่ต้องไปเก็บไว้ในห้องคลังไปห้องไม่ใช่ห้องไม่ใช่ที่กุฏิที่วัดของวัดป่านี้ก็จะมีห้องคลังไว้สําหรับเก็บของส่วนรวมไว้ไม่ได้เป็นของพระรูปใดรูปหนึ่ง เป็นของสง่งเวลาต้องการก็ให้ลูกศิษย์ไปหยิบมาประเคนให้ตรงนี้ก็เวลาประเคนแล้วก็เก็บไว้ได้เจ็ดวันของที่มีน้ําตาลมีน้ําอ้อยของที่ที่มันมีส่วนผสมของน้ําตาลพวกนี้จะเก็บไว้ได้แค่เจ็ดวันแล้วชนิดที่สามก็เป็นพวกที่เป็นยารักษาโรคภัยแค่เจ็บ เนยาแก้ปวดยาแก้ปวดท้องปวดหัวปวดอะไรพวกนี้พวกนี้รับประเคนแล้วเก็บไว้ได้ตลอดเวลาอันนี้ถวายได้เวลาไหนก็ได้พระรับได้ทุกเวลารับแล้วก็เก็บไว้ได้ไม่มีวันหมดอายุก็หมดอายุตามตามที่เขาเขียนไว้ในฉลากอันนี้ก็มีของสามชนิดที่ที่เวลาถวายพระนี่มันจะมีข้อจำกัด ถ้าสมมติตอนนี้อยู่มาเอาอาหารมาเช่นเครื่องกระป๋องเครื่องอะไรของไม่เสียอย่างเงี้ยก็อยากจะถวายพระก็ถวายได้เพียงแต่ว่าให้เอาวางไว้แล้วเดี๋ยวลูกศิษย์เขาจะเอาไปเก็บไว้แล้วเวลาตอนถึงเวลาฉันเขาก็จะเอาไปเอาไปถวาย<ม>ถ้าเป็นพวกอาหารส่วนพวกเครื่องใช้ไม่สอยนี่ก็ถวายได้ตลอดเวลาของใช้นี่รับประเคนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันญาสีฟันสบู่ผงซักฟอกกระดาษชําระของอะไรต่างๆอันนี้ก็ถวายได้รับกรรมือได้แต่ถ้าของมันหนักก็บางทีก็ไม่ก็ตั้งไว้เฉยๆก็แล้วกันแล้วก็บอกว่าขอถวายของนี้ก็พอไม่ต้องยกก้นมาถวายบางทีคนเอาน้ามาสิบหอเนี้เราจะมายกกันมาถวายก็ไม่ต้องก็ได้เพียงแต่ บอกให้ทราบว่าขอถวายน้ํานี้ก็ถือว่าได้ถวายเหมือนกันนี่คือเรื่องของสิ่งของต่างๆที่จะถวายพระได้สาเหตุที่พระพุทธเจ้ากําหนดข้อกําหนดไว้เพื่อไม่ให้พระสะสมอาหารนี้ไม่ให้สะสมไม่เก็บไว้ที่กุฏิเดี๋ยวมันทีตอนเย็นหิวข้าวเดี๋ยวมันมีอาหารอยู่ใกล้ <laughs> ก็ไม่ให้มีไว้มากมีมากก็เดี๋ยวมันก็สมัยก่อนมันการเก็บของมันลาบากเดี๋ยวมดก็ขึ้นเดี๋ยวอะไรก็มาแทนที่จะมานั่งสมาธิก็มานั่งคอยรักษาอาหารรักษาข้าวของต่างเราจะไม่มีเวลามาภาวนากันพวกเจ้าถึงพยายามที่จะตัดปัญหาต่างๆเพื่อที่จะได้ม า, มารบกวนการภาวนาของพระกัน มีก็คือสิ่งที่พระก็ต้องมีเพราะว่าพระก็มีร่างกายเหมือนญาติโยงก็ต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมียารักษาโรคเพียงแต่ว่าต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอดีไม่ให้มันมีมากเกินไปเพราะมีมากเกินไปมันก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรประโยชน์ที่มันจะทํากับร่างกายมันก็มีปริมาณของมันพอมีมากกว่านั้นมันก็ไม่เป็นประโยชน์ กลับเป็นโทษเช่นอาหารถ้าเราเประทานมากเกินไปมันก็ทำให้ร่างกายน้ำหนักเกินมีรูปร่างไม่สวยงามแล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนมีความดันเบาหวานอะไรต่างๆขึ้นการบริโภคปัจจัยสี่ท่านก็สอนให้รู้จักประมาณคือไม่มากเกินไปแต่ไม่น้อยเกินไป มันพอต่อความต้องการของร่างกายเช่นอาหารก็ให้รลบประมาณพอให้มันอยู่ได้ก็พอเสื้อผ้าเครื่องหนุ่หผมก็มีไว้พอพอสวมใส่ก็พอเช่นมีไว้สามสี่ชุดนี้ชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองอะไรแค่นี้ก็พอแนละ้วสำหรับเสื้อผ้ามีเต็มตู้มันก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมากไปกว่า เสื้อผ้าที่มีอยู่สองสามชุดของผ้านี่ท่านก็สอนให้ใช้ชุดเดียวสำหรับเดียวผ้าตายจีวอนสามผืนนี่เป็นเป็นเป็นเครื่องนุ่งห่มของผ้าพอละ<ม>จีวอนไว้ผ้าห่มผืนหนึ่งผ้านุ่งผืนหนึ่ง<ม>แล้วก็ผ้าห่มกันหนาวผืนหนึ่งนี่เรียกว่าตายจีวอนเป็นผ้าสามผืนในเท่านี้ก็พอแล้วสาหรับการใช้เพื่อรักษาร่างกาย ป้องกันร่างกายจากอาหารจากอากาศหนาวเย็นป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรต่างๆมีมากก็เป็นภาระมีมากก็ต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยซักคอยทำความสะอาดมีน้อยมันก็จะได้มีภาระน้อยเพื่อจะได้มีเวลาไปภาวนาการภาวนานท่านให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าถ้างานนี้ไม่เสร็จมันก็จะไม่เสร็จแต่ถ้างานนี้เสร็จแล้วมันก็เสร็จแล้วมันก็จะสบายจ<ม>ึงไม่ควรยืดเยื้อกับการภาวนาควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาให้กับการภาวนาดีกว่าเพื่อจะได้เสร็จงานนี้ถ้าเสร็จงานนี้แล้วจะไปทำงานอย่างอื่นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ายังไม่เสร็จงานนี้ไปทำงานอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ทาให้งานภาวนานี้เสร็จ แ้วถ้างานภาวนานี้ไม่เสร็จมันก็ยังต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต่อยไปเรื่อยๆแล้วจังหวะที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสที่จะได้ภาวนาได้มาบวชนี่มันก็ไม่ใช่เป็นของงา่ายดังนั้นพอใครมาบวชแล้วพระพุทธเจ้าจึงพยายามให้ภาวนาอย่างเดียวไม่ให้ไปเสียเวลากับภารกิจอย่างอื่นเพราะภารกิจนี้สําคัญที่สุด ภาร ก, กิจที่จะยุติการเวียนว้ายตายเกิดแต่ถ้าเสร็จภาร ก, กิจนี้แล้วจะไปทำภาร ก, กิจอย่างอื่นก็ทำได้ไม่ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้ายังไม่เสร็จมันก็ยังไม่เสร็จเหมือนกับนักศึกษาถ้าไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอยู่เรื่อยๆไม่เข้าห้องเรียนไม่ไปเรีย น, นเรียนนันก็ไม่จบอย่างพวกที่เรียนรามนี่บางทีก็เรียนกันเจ็ดปีแปปีสิบปี เพราาไม่ได้เข้าเข้าเรียนกันเขามูลแต่ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นมันก็เลยไม่จบสักทีงานนี้มันสําคัญแล้งานนี้งานนี้ยนานๆจะมีโอกาสได้ทําสักครั้งหนึ่งเพราะต้องการจะทํางานนี้ได้ต้องมีคนสอนถ้าไม่มีคนสอนนี้ทําไม่ได้จะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแล้วคนสอนก็นานๆจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้านี่นานๆจะมาเกิดมาตัดจารุแล้วมาสั่งสอนสักครั้งนึงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครที่จะรู้จากการทํางานนี้ได้ช่วงที่พระพุทธเจ้าบําเพ็ญแล้วไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครสามารถทํางานนี้ให้สําเร็จได้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดจารุมาทํางานนี้สําเร็จแล้วแล้วก็มาสั่งสอนผู้อื่น ผู้อืนพอเราไปฟังทำปั๊บเดียวเดี๋ยวเดียวก็ทำได้เพราะบางคนก็ทำมาบางส่วนแล้วแต่ยังไม่ครบบริบูรณ์พวกกลุ่มแรกๆที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมนี้เขาทำมาสามสองส่วนสองในสามส่วนแล้วเขามีศีลเขามีสมาธิแล้วแต่เขาไม่รู้จักปัญญาเขาไม่รู้ว่าอะไรทำให้เขามาเกิดแก่เกิดตายพระเจ้าบอกว่าตันหาความอยาก เปนเหตุที่ทําให้เกิดแก่เจ็บตายให้ตัดตัวนี้ให้ละตัวนี้พอตัดตัวนี้ละตัวนี้ได้ก็ยุติการเวีนว่าการเกิดได้ถ้ามีคนมาสอนแล้วมันก็ง่ายแต่ถ้าไม่มีคนสอนนี่ไม่มีวันถ้าไม่เป็นระดับพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะเข้เขาไปคบรัจธรรมความจริง ของความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกว่าเกิดจากอะไรและวิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะหยุดได้อย่างไรมีพระพุทธเจ้านั้นที่ทรงค้นพบอริยสัจสี่ทรงค้นพบใจรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะสามารถรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง แม้กระทั่งได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วบางทีก็ยังไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจว่าอรยาิยสัจสี่เป็นอย่างไงอันนี้จังทุกขังอนะตาเป็นอย่างไงขนาดนี้คนบอกนะยังยังมองไม่ยังมองไม่เห็นยังมองไม่ออกต้องอธิบายกันปากเปลี่กฝากสิต้องยกตัวอย่างให้ดูถึงจะเห็นถึงจะเข้าใจกัน ดังนั้นเรื่องของภารกิจต่างๆที่จําเป็นต้องทําก็ทําให้มันน้อยที่สุดเป็นฉันอาหารถ้ากให้ฉันมือเดียวถ้าฉันสองมือมันก็สองมันก็เสียเวลาสองเท่าเช้ารอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวทพลียงไรอีกรอบหนึ่งถ้าฉันมือเดียวมันก็ตัดเวลาหมดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วเอาเวลาที่จะมาฉันช่วงกลางวันมาภาวนาได้แล้วเดินโยกมนั่งสมาธิได้ ให้ฉันมือเดียวแล้วบางทีไม่พอใจบางทีให้หลวงองค์ก็งดฉันสองสามวันค่อยมาฉันห้างหนึ่งก็ได้ได้มีเวลาภาวนาเต็มที่เลยเวลาไม่มาฉันก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับการบินธบาตไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการล้างบาปกินอะไรเต้นขึ้นมาก็เดินโจกรมนั่งสมาธิภาวนาได้เลยหลงองค์ท่านก็ปฏิบัติแบบนั้น อดไปเรื่อยๆสลับกับอทีละสามวันมั่งห้าวันมั่งแล้วก็กลับมาฉวันสองวันแล้วก็กลับไปก็จะได้มีเวลาภาวนาได้เยอะๆและเวลาอดอาหารนี่มันจะถูกบังคับให้ภาวนาเพราะว่าเวลาอดอาหารนี่ใจมันจะหิวใจมันจะทุกข์และววทีที่จะดับความทุกข์ของใจได้ก็ต้องภาวนาต้องทําใจให้สงบ พอใจสงบแล้วความหิวก็จะหายไปความหิวทางร่างกายไม่ไม่เป็นปัญหาปัญหามันเป็นปัญบัอยู่ที่ปัญหาคือความหิวทางใจพอเราดับความหิวทางใจได้แล้วความหิวทางร่างกายนี้จะไม่ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับใจมันก็เลยเป็นประโยชน์การอดอาหารมันทำให้ต้องภาวนา เพราะว่าวันไหนที่ไม่ได้อดอาหารนี่พอฉันอิ่มแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ไม่มันก็เลยไม่ภาวนามันนอนดีกว่าเวลากินอิ่มแล้วมันก็สบายมันก็เลยอยากนอนมันก็เลยขี้เกียจภาวนาแต่วันไหนที่ไม่ได้กินนี่มันหิวมันต้องภาวนามันจะดับความหิวได้นี่คือมาตรการต่าง ที่พระเจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติเอามาใช้เพื่อที่จะได้ทำภารกิจนี้ให้มันเสร็จดู้ล่วงไปได้อย่างรวดเร็วท่านทานายท่านพยากรณ์ไว้เลยว่าถ้าปฏิบัติการอย่างจริงๆจั ง, จงๆ7เจ็ดวันก็ได้ไม่เจ็วันก็เจดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีต้องได้ขอให้ปฏิบัติเท่านั้น ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิควบกลุมใจให้มีสติคอยหยุดความคิดปุงแต่งต่างๆให้ใจเข้าสู่ความสงบเพราะเวลาสงบแล้วจะมีความสุขจะมีอุเบกขาจะไม่หิวไม่อยากไม่รักไม่ชังกับอะไรและเวลาออกมาจากสมาธิก็จะได้ใช้ความสงบความสบายใจนี้มาสอนใจให้เห็นไตรักให้เห็นอนิจจัง เห้เห็นว่าทุกอย่างที่เราไปอยากได้นี้มันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาสิ่งที่เราได้มาเวลาได้มาก็เป็นความสุขพอเราสูญเสียสิ่งที่เราได้ไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ไปสู้อย่างมีหรือ่าตอนนี้ไม่มีอะไรเราไม่ทุกข์แต่พอเราไป ม, มีแล้วเดี๋ยวเราจะทุกข์ เพราะเวลาสิ่งที่เราได้มานี่มันจากเราไปเราก็จะทุกข์งั้นสู้อยู่แบบไม่มีดีกว่าตอนนี้ไม่มีก็อย่าไปอย่าไปอะไรอย่าไปสายหาอย่าไปแกว่งเท้าหาหาเสี้นเลยอยู่เฉยๆจะดีที่สุดอยู่กับความสงบถ้าใจสงบใจหยุดหยุดความอยากได้แล้วใจจะสบายนี่ก็คือการใช้ปัญญา สอนใจเวลาใจออกมาแล้วไปเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็สอนว่ามันมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราที่แท้จริงไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไปเวลามันจากไปเราก็จะเสียใจตอนที่เราตอนนี้เราไม่มีเรากลับไม่เสียใจเราไม่มีอะไรตอนนี้เราไม่ไม่เสียใจแต่พอเรามีอะไรแล้วพอเราเสียไปเรากลับมาอยู่แบบไม่มีเรากลับอยู่ไม่ได้แล้ว เรากลับเสียใจงั้อย่าไปอย่าไปหาความทุกข์กันเลยการไป ม, มีอะไรนี่เป็นการไปหาความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราได้มานี้จะต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปนี่คือการให้มองให้เห็นอนิจจังให้เห็นอนัตตาว่าเราไปห้ามมันไม่ได้การพัดพ่างจากกันนี่เราห้ามมันไม่ได้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆนี้เราห้ามมันไม่ได้ เวลามันเปลี่ยนไปเราก็ไม no ่พอใจแล้วไม่ชอบใจแล้วเคยดีกับเราพอเขาเปลี่ยนไปไม่ดีกับเราเราก็เสียใจแล้วแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนเราก็จะได้ไม่ไปหวังอะไรจากใครไม่ไปหวังอะไรจากสิ่งต่างๆเวลาเขาเปลี่ยนไปเราก็ไม่เดือดร้อนวันนี้ก็เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพอเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้น นี่คือการเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาพอเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาแล้วมันก็จะไม่มีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะดูตามความเป็นจริงไปความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็รับรู้ไปเฉยๆวันนี้เป็นอย่างนี้ก็รับรู้ว่าเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นอย่างนั้นก็รับรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไปดีใจไปเสียใจเพราะมันเปลี่ยนไปได้สองแบบ เปลนให้มันดีขึ้นก็ได้เปลี่ยนให้มันเร็วลงก็ได้สิงต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงได้แต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าแล้วเราก็จะได้ไม่ไปหลงกับมันเวลามันเปลี่ยนขึ้นเราก็ไม่ดีใจก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนลงมาได้มันขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ลงได้เวลาลงก็ไม่เสียใจลงไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นถ้าเราไม่ไปไปพึ่งมันไปอาศัยมันมันเราไม่เดือดร้อน ถ้าเรามีความสงบแล้วเราอยู่ตามลำพังได้ไม่ต้องมีอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาก็คือความสงบเมื่อมีความสงบแล้วเราก็จะได้ใช้ปัญญาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเราไม่มีความสงบนี้พอเราเห็นอะไรดีเราต้องอยากเราต้องเอาไปเอามาแล้วพอเราคิดว่าดีกว่าไม่มีตอนนี้เราไม่มีอะไรพอได้นู่นนะั่นดีมาแล้วดีใจกันแต่เราไม่คิดไปว่าแล้ว เ, เดี๋ยวเวลา เสียไปจะทํำยังไงเวลาอยากได้อะไมองมองเพียงด้านเดียวมองด้านบวกมองว่าเออได้ของนี้มาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่มองว่าแล้วเวลาเขาไปแล้วจะทำยังไงคือปัญญาเราต้องมองทั้งสองด้านทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเรียกว่าอนิจจังอนัตตาห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เวลาเขาจะดับเขาจะเสื่อมเราไปห้ามเขาไม่ได้ เพาฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็อย่าไปยุ่งกับสิ่ ง, งต่างๆอย่าไปยุ่งกับลาบยศสรรเสริญอย่าไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสให้มายุ่งกับสติดีกว่าให้มายุ่งกับความสงบทําใจให้สงบใจสงบแล้วพอมีความสุขเต็มที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ต้องใช้มันใจมีความสงบมีความสุขแล้ว จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายมีปัญถาข้อต่อไปไหมนิอิตครับข้อที่สองจากคุณแอปเปิลท่านเดิมนะครับเวลาใช้ชีวิตประจำวันบางทีมีอะไรมากระทบแล้วรู้ก็วางเลยทุกไม่ทันเกิดแต่บางทีทุกเกิดแล้วค่อยรู้พอรู้แล้วถึงวางแบบนี้ถูกหรือไม่ ถ้าวางเลยก็แสดงว่าสติปัญญาเราเร็วรู้ทันถ้าทุกข์แล้วค่อยวางก็แสดงว่าช้าไปต้องเกิดทุกข์ก่อนแล้วค่อยวางก็ยังดีบองคนทุกข์แล้วไม่วางเลยแบบไปทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เช้าโดนเขาด่าคำเดียวนี่บา ย, ยังคิดถึงคำด่าก็อยู่นี่เรียกว่าแบบกันทั้งวันนะแสดงว่าไม่ไม่มีสติปัญญาเลยปล่อยให้ใจไปโกรธไปเกียดกับ การกระทาการพูดของคนนั้นคนนี้แล้วก็เอามาแบกอยู่ภายในใจคิดถึงคนคิดถึงเรื่องที่เขาพูดเรื่องที่เขาทำอยู่อย่างนั้นแล้วก็คิดทีไรก็ทุกข์ใจขึ้นมาทุกทีแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์ใจแต่ก็ชอบคิดมันอดคิดไม่ได้มันมันเจ็บใจมันช้ำใจ <laughs> มันก็เลยต้องคิดคิดแล้วตัวเองก็ทุกข์ นั่นแสดงว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้าคนมีสติพอรู้ว่าจะทุกข์ปั๊บนี่มันก็จิตเรื่อจะทุกข์รอยหยุดมันละหรือถ้ามันไม่มีหยุดก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาว่าไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเขาจะพูดเขาจะทำอะไรเราห้ามเขาได้หรือเปล่าเราห้ามใจเราได้ทําไมเราไม่ห้ามเราไปห้ามเขาทําไมห้ามในสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ทำไมอ้ามในสิ่งที่เราห้ามได้ไม่ดีกว่า ห้ามใจของเราอย่าไปคิดถึงมันก็หมดแล้วจบแล้วไม่ใช่เรื่องของเราใครทำกรรมมันใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้ น, เ, นเราไม่ได้ไปต้องไ ป, ไปเป็นคนให้กรรมให้อะไรเขาหรอกไม่ต้องไปลงโทษไม่ต้องไปให้รางวัลเขาหละกเขาทาอะไรนี่มันมีรางวัลมีผลอยู่ในตัวของมันแล้ะทำดีก็มีความสุขใจนะทำไม่ดีก็ทุกข์ใจอยู่นะ คำถามข้อต่อไปจกคุณศิรินาถนะครับก่อนนอนทุกคืนหนูจะดูลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พองยุบไปเรื่อยๆจนหลับขณะหลับหนูมีอาการคือรู้สึกตัวขณะหลับและเหมือนสามารถว่าตัวเองรวมจิตไว้ที่หน้าผากแล้วรู้สึกเพ่งออกไปตรงหน้าแต่เห็นภาพไม่ชัดขณะนอนหลับภาพเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่จิตก็บอกว่าไม่ใช่ความฝัน หนูเพิ่งเป็นมาสองสามครั้งค่ะเป็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้อที่หนึ่งอาการอย่างนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าหลับไม่เสร็จนะหลับไม่เสร็จมันก็ฝันไปข้อที่สองแล้วอาการที่เกิดขึ้นจะมีผลเสียไหมหนูควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อเพื่อไม่ให้หลงมากเกินไปก็สึกสติไปเรื่อยเรื่เรื่องของความฝันก็ไม่ต้องไปกังวลกับมัน ให้ถือว่ามันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปคิดย้อนหลังให้เสียเวลาให้จิตตั้งอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ดําเนินชีวิตไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องทำอะไรก็ทำไปเรื่องอดีตอย่าไปส่งไปหามันเรื่องอนาคตก็ไม่ต้องส่งไปให้จิตอยู่ในปัจจุบันแล้วจิตจะมีความมั่นมั่นคงจะมีความสงบ จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนส่วนใหญ่เพรสงจิตไปหาอาดีตไปหาอนาคตถ้าอยู่ในปัจจุบันแนละ้วมันจะไม่มีอะไรวุ่นวายไม่มีอะไรที่ทําให้ใจเราวุ่นวา ย, ยาเวลาเตื่นกขมายามฝุกสติเรื่อยๆบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายการกระทําต่างๆของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคต คำถามข้อต่อไปจากคุณวินายนะครับการที่จะเลือกบวชกับพ่อแม่ครูอาจารย์มีหลักการดูสังเกตรหรือหาครูอาจารย์อย่างไรครับเพราะถ้าเจอครูอาจารย์พาผิดก็จะเหมือนกับหลงทางทำให้สามารถไปถึงจุดหมายล่าช้าหรือหลงทางได้ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ตอนที่เราจะหาอะไรท่านก็เราสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาก็คือสเปว่าเราต้องการสเปแบบไหน เราเราไปซื้อรถยนต์เราก็มีสเปคว่าเราต้องการรถแบบไหนต้องการรถเก็งหรือต้องการรถสี่ล้อขับเคลื่อนอยู่ที่การใช้สอยการใช้งานของเราดัน้นในการหากูบาอาจารย์เราก็ต้องมีสเปคไวในใจว่าเราต้องการอาจารย์แบบไหนเราต้องการอาจารย์ที่สอนเราภาวนาหรือเราต้องการอาจารย์ที่สอนทางอื่นก็แล้วแต่เราก็ต้องไปดูที่ตัวเราก่อนว่าเราต้องการอะไร เมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรเราก็ก็ไปหาสิงนั้นกันคำถามข้อต่อไปจะคุณสามารถนะครับจิตกระผมเริ่มด้านต่อธรรมครับหลังๆลังนี้ฟังเทศขององค์หลวงตาจิตมันไม่แน่แน่เหมือนเดิมครับตอนกลางวันทำงานทางโลกกลางคืนทำงานทางธรรมเลยชุลมุลกันพอสมควรขอกราบเรียนถาม การรักษาจิตที่จะเริ่มด้านนี้ด้วยครับแล้วมีวิธีรักษาจิตที่เริ่มด้านนี้อย่างไรครับก็พยายามภาวนาพยายามเจริญสติถ้ามีสติแล้วความด้านของจิตมันก็จะหายไปถ้าจิตสงบแล้วมันตัวต่อต้านต่างๆมันก็จะสงบตัวลงถ้าเราไม่ภาวนาไม่หยุดความคิดต่างๆ ความคิดนี้มันจะคิดไปในทางต่อต้านธรรมะเนเราต้องหยุดความคิดที่ต่อต้านธรรมะก่อนก็ต้องใช้สติสตินี่ใช้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าแก้ไม่ได้อย่างถาวรท่นหนึ่งตัวที่จะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรคือปัญญาแต่ก่อนที่จะใช้ปัญญาได้ต้องใช้สติก่อนต้องหยุดต้องหยุดจิตก่อนหยุดความคิดก่อน เมื่ออยู่ความคิดแล้วก็ค่อยเอาปัญญามาสอนด้วยเหตุด้วยผลเมื่อจิตที่มีความสงบมันฟังเหตุฟังผลแล้วมันก็จะรับได้แต่เบื้องต้นถ้ามันยังไม่สงบนี้มันไม่ยอมรับฟังเหตุผลเป็นเวลาเวลาเวลาอยากได้อะไรเนี่ยต่อให้ใครมาบอกว่าไม่ดีอย่างไรมันก็ยังอยากได้อยู่เั้นต้องหยุดต้องทำความอยากนั้นให้มันหายไปก่อนทาใจให้สงบก่อน พอใจสงบแล้วก็มาดูด้วยเหตุด้วยผลกันว่าได้สิ่งนี้มาแล้วมันเป็นโทษอย่างนั้นอย่างนี้นะพอมันเห็นโทษมันก็จะไดะ้เปลี่ยนใจได้แต่ถ้าเวลามีอารมณ์นี่พูดกันไม่รู้เรื่องพอเวลามีอารมณ์แล้วก็อยากจะได้สิ่งที่ตนเองอยากได้อย่างเดียไม่ว่าจะมองไม่เห็นทํทำใจให้สงบก่อนแล้วเราถึงค่อยใช้ปัญญาได้ เป็นตอนนี้จิตใจต่อต้านธรรมะก็ต้องหยุดความคิดที่ต่อต้านธรรมะนี้ก่อนพอความคิดที่ต่อต้านธรรมะนี้หยุดแล้วเราค่อยมาฟังธรรมฟังธรรมที่ด้วยใจที่เป็นกลางด้วยใจที่สงบมันก็จะรับได้เพราะมันฟังด้วยเหตุด้วยผลมันไม่ได้ฟังด้วยอารมณ์คําถามพ่อต่อปัจจุบวิจน์นะครับ จิตกับใจเป็นตัวเดียวกันไหมครับเป็นตัวเดียวกันแต่ทำทำทำต่างหน้าที่กันเรามาักจะใช้คาว่าจิตว่าเป็นผู้คิดใจเป็นผู้รู้แต่เป็นตัวเดียวกันคือในตัวตัวตัวจิตใจนี้มันทำสองหน้าที่มีทั้งความคิดและมีทั้งความรู้เวลาความคิดหยุดก็จะเหลือแต่ความรู้ตัวเดียวเวลาเรานั่งสมาธิทาใจให้สงบตัวความคิดก็จะหยุดไป ก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวสักแต่ว่ารู้อันนั้นก็คือตัวใจตัวจิตจุดทางานตัวจิตก็คือสังขารนี่ึ่เป็นนามขันอันนี้เป็นชื่อที่เราใช้อธิบายถึงความแตกต่างของตัวตัวจิตใจเหมือนร่างกายเนี่ยเราร่างกายมันก็มีมีอาการสามสิบสองมีแขนมีขามีตามีหูมันก็เป็นส่วนของส่วนประกอบของร่างกาย จิตใจมันก็เป็นส่วนประกอบของตัวที่รู้เนี่ยตัวที่เป็นตัวตัวตัวจิตตัวใจเนี่ยในเวลาที่เ็าพูดถึงเรื่องอเรื่องจิตนี่ก็ต้องจะพูดถึงเรื่องความคิดปรูงแต่งอะไรต่างๆความรู้สึกนึกคิดจะอยู่ในตัวจิตตัวรู้นี่จะอยู่แต่ตอนที่เวลาจิตสงบแล้วก็จะเห็นตัวรู้พราจะเจ้าต้องการให้เราไปอยู่ที่ตัวรู้อย่าไปอยู่ที่ตัวจิต ว่ตัวจิตของเราเนมันหลงมันคิดไปคิดมาแล้วมันก็หลอกพาให้เราไปไปเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราอยู่ที่ตัวรู้ได้มันก็จะไม่หลงตามมันก็จะอยู่เฉยเฉยมันก็จะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นการที่เราจะเข้าถึงตัวรู้ได้นี่เราก็ต้องทําสมาธิทําสมาธิทําให้ตัวจิตตัวคิดนี้หยุดพัจิตตัวคิดหยุดแล้วก็จะเหลือตัวรู้แล้วเราก็จะรู้ว่าวิธีทําตัว ทำตัวเราให้เป็นตัวรู้ทำยังไงเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเราก็จะรู้เฉยๆแทนที่จะอยากได้หรืออยากไม่ได้พอเกิดความอยากแล้วมันก็จะทำให้จิตต้องไปต้องไปแสวงหาสิ่งที่อยากได้มันก็จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะสิ่งที่อยากได้นี่มันต้องมีร่างกายต้องใช้ร่างกายพอร่างกายนี้มันไม่มีก็ต้องไปหาร่างกายอัน มันก็จะพาไปเวียนว่ายตายเกิดอนี้เรื่อยๆแต่ถ้าเราสามารถรู้ทันความคิดไม่ทาตามความคิดแล้วให้อยู่กับตัวรู้ให้รู้เฉยๆอยากยังไงก็ไม่ทำตามมันก็จะไม่ไปเวลาตายไปมันก็ไม่ไปเกิดใหม่นี่คือตัวตัวรู้ที่เราไม่รู้กันเรารู้แต่ตัวคิดกันเราอยู่กับความคิดตลอดเวลาเราคิดว่าเราเป็นนายกรนายขอเป็นนางสาวนายนู่นนายนี่นี่เป็นความคิดทั้งนั้น ควาจริงมันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงคือเราเป็นตัวรู้เท่านั้นแต่เราไม่รู้ตัวนี้เราไปไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นของเราพอมีร่างกายมันมีมันมีเพศก็เลยก็เลยไปหลงกับเพศว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายแล้วเกิดมากับครอบครัวนี้มีนามนามสกุลนั้นนามสกุลนี้มีฐานะอย่างนั้นฐานะอย่างนี้มันก็หลงติดอยู่กับความคิดต่างๆเหล่านี้ไปแล้วมันก็ไปยึดติดกับความคิดเหล่านี้ แล้วก็ไปวุ่นวายกับการดูแลรักษาไอ้สิ่งต่างๆที่เราได้มาจากความคิดอันนี้แล้วก็ไปทุกข์กับมันเพราะเดี๋ยวก็เพราะรักษาไม่ได้ของทุกอย่างที่เราได้มาผ่านทางร่างกายนี้นเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอหมดไปแต่ความอยากยังอยากจะมีของพวกนี้อยู่ก็เลยพาให้เราไปเกิดใหม่แต่ถ้าเรามาทำสมาธิเราหยุดความคิดได้แล้วมาเจอตัวรู้ให้รู้ว่านี่แหละคือตัวที่ ตัวที่เป็นตัวเราตัวตัวที่จะทำให้เรามีความสุขโดยให้เรารู้เฉยเฉยเราอย่าไปคิดอะไรคิดแล้วเกิดความอยากอยากแล้วก็จะทุกข์จะวุ่นวายใจเพราพออยากแล้วมันอยู่ไม่เป็นสุขนะพออยากได้อะไรนี้มันต้องไปหามาแล้วถ้าไม่อยากได้อะไรก็อยู่เฉยเฉยไปไม่เดือดร้อนมีอะไรไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อน อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเข้าถึงเข้าให้ถึงให้ได้ก็คือตัวรู้ตัวผู้รู้แล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจให้อยู่กับผู้รู้อย่าไปอยู่กับผู้คิดอย่าไปอยู่กับจิตอย่าไปอยู่กับความคิดอย่าไปทําตามความคิดถ้าจะทําตามความคิดก็ต้องคิดที่ด้วยเหตุด้วยผลคิดที่เชื่อคิดที่จะให้เราปล่อยวางทุกอย่างอย่าไปคิดเพื่อที่จะให้เรายึดติดหรืออย่าไปคิดเพื่อให้เราอยากได้สิ่งต่างๆ ให้เราคิดเพื่อปล่อยวางให้เราคิดเพื่อไม่อยากได้อะไรการที่เราจะคิดเพื่อปล่อยวางคิดไม่อยากได้แล้วก็คิดว่าทุกอย่างที่เราอยากได้นั้นเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราได้มาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปให้คิดแบบนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่ไปทาตามความอยากมันจะไม่อยากได้อะไรแล้วมันก็จะอยู่เฉยๆอยู่กับเูื่อรู้ได้สักแต่ว่ารู้ได้เห็นอะไรก็รู้สักแต่ว่ารู้ ใครชมก็สักแต่ว่ารู้ใครด่าก็สักแต่ว่ารู้มีน้ำหนักเท่ากันคำด่าคำชมนี่มันก็เป็นเสียงเหมือนกันแต่ถ้าเราไปหลงคิดว่าความชมดีความด่าไม่ดีมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญามองด้วยตัวรู้มันก็จะรู้ว่ามันแค่เสียงเสียงนมปากเขาว่าดีแล้วไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่คำปากเขาหรอกอยู่ที่ความจริงมากกว่าใช่ไหม ถ้าเราไม่ดีต่อให้เขาว่าดีไงมันไม่ได้ทำให้เราดีหรอกถ้าเราดีต่อให้เขาว่าเราไม่ดียังไงเราก็เราก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาพูดอ่ะนี่ถ้าจิตใจที่มีความสงบจะมีเหตุมีผลแล้วจะสามารถที่จะอยู่เฉยๆได้ไม่ไปวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่ตนเองมาสัมผัสรับรู้อ่อข้อต่อไป คำถามข้อต่อไปจากคุณมัคคานะครับหลังจากทำสมาธิได้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามสติก็จับอยู่กับอาการนั้นเช่นลางหน้าแปลงฟันอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องถ้าในขณะที่เรายังไม่มีความชำนาญในสมาธิเราก็ฝึกสติเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเพื่อจะได้ใช้สตินี้กลับเข้าไปในสมาธิได้หม จนกว่าเราจะมีความชำนาญในเรื่องของสมาธิสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าหลังจากนั้นแล้วเราควรที่จะมาออกจากสมาธิมาแล้วเราควรจะเริ่มพิจารณาทางปัญญาได้นะ้วพิจารณาไปร ล, ลักเพราะเพราะฉะนั้นเราก็จะติดอยู่ในขั้นสมาธิจะไม่คืบหน้าต่อไปที่เ็าเรียกว่าติดสมาธิก็เพราะว่าเนี่ยทแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ทาปัญญา แต่ปัญญานี้จะทําก็ต้องรอให้สมาธิชํานาญก่อนเพราะว่าเวลาใช้ปัญญานี้บางทีใช้แล้วใจมันจะฟุ้งขึ้นมาได้เพราะต้องใช้ความคิดพิจารณาแล้วบางทีกิเลส ก, ก็เข้ามาแทรกได้แล้วมันก็จะทําให้ฟุง้งถ้าฟุง้งถ้าเราเข้าสมาธิไม่ชํานานบางทีเราก็จะหยุดความฟุ้งไม่ได้แต่ถ้าเรามีความชํานานพอเรารู้ว่าจิตเริ่มเริ่มฟุ้งแล้วเราก็หยุดพิจารณาแล้วเราก็กลับเข้าไปในสมาธิก่อน งั้นก่อนที่จะออกทางปัญญาได้ควรที่จะมีความชํานาญในทางปัญญาควรที่จะรู้ว่าสามารถที่จะออหยุดความคิดได้ทําใจให้สงบได้เหมือนหมอที่ผ่าตัดนี่เขาต้องรู้ว่าเขาสามารถที่จะนมยาคนไข้ให้นิ่งได้ถ้าเขานิ่งไม่ได้นีเดี๋ยวผ่าตัดไม่ได้ละผ่าตัดไปครึ่งทางยาหมดไม่สามารถที่จะทําให้คนไข้นิ่งได้ก็ผ่าไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันการพิจารณาทางปัญญาก็เป็นเหมือนการผ่าตัดเพราะเราจะต้องพิจารณาในสิ่งที่จิตไม่ชอบพิจารณาเช่นความตายเออเช่นนสุภะเนี่ยจิตมันไม่ชอบของพวกนี้ถ้าไปคิดแล้วบางทีมันจะต่อต้านมันบางทีก็ทำให้เรามีอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเลยบางคนก็บอกพอคิดถึงความตายแล้วรู้สึกว่าหดหูใจ อะนี้แสดงว่าจิตยังสงบไม่พอคนไข้ ย, ยังดิ้นอยู่ต้องนมยาเพิ่มขึ้นก่อนให้จิตมันนิ่งก่อนถ้าจิตนิ่งจริงๆแล้วพิจารณาความตายจะเฉยๆดู อ, อสุภพไปดูก็ผ่าศพนี่ก็จะเฉยๆแต่คนที่ไม่นิ่งนี่บางคนไปเห็นก็ผ่าศพแล้วจะอาเจียนขึ้นมาเพราะจิตมันมีตัวต่อต้านตัวกิเลสมันต่อต้านสิ่งที่ไม่สวยงามมันชอบแต่ของสวยงามๆของสวยๆงามงาม พอมันไปเห็นของที่ไม่สวยไม่งาม น, นี่มันจะเกิดอาการออต่อต้านขึ้นมาบางทีถึงกับอาเจียนออกมาอันนี้เป็นเิเป็นอาการของกิเลสแต่ถ้าจิตมีความสงบแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถมองสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่มีอาการแต่อย่างได มองของสวยของงามก็ไม่มีอาการยินดีกับสิ่งที่มองลองของที่ไม่สวยไม่งามก็ไม่มีอาการรังเกียจเฉยๆอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราต้องการจากสมาธิคือต้องการใจที่เฉยๆเวลาสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะน่าดูหรือไม่น่าดูก็จะรับรู้ได้อย่างไม่มีไม่มีอารมณ์เราต้องการดูสิ่งที่เราไม่อยากจะดูเพื่อจะได้จดจาไว้ เพื่อที่เราจะได้เอามาใช้แก้ความหลงเวลาเรามีความหลงรักใครเนี่ยถ้าเรามองมองอสุภะของเขาเราก็จะสามารถทำให้เราหายหลงได้เรามองเขาเห็นแต่เขาสวย ง, งามเราไม่มองส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขาพอเรานึกถึงส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขาที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเนี่ยภายใต้ผิวหนังมีอาการสามีอาการเอ า, เอาวัยวะต่าง มีกรโหลกมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้มีของที่ไม่น่าดูน่าชมมันก็จะทําให้เราคลายความกําหนัดยินดีในตัวเขาได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับเขาเพราะได้ใครมาอยู่ด้วยกันถึงแม้จะสุขกันมากน้อยแค่ไหนทักวันหนึ่งก็ต้องก็ต้องมีความทุกข์ทุกข์เพราะพลาดท่า ก, กันทุกข์เพราะมีความเห็นไม่ตรงกัน มันก็ต้องทุกข์สู้อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องกลับมาเกิดมามีแฟนอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดพออยากอะไรแล้วมันก็ติดติดแล้วพอไม่มีก็ต้องมาหาใหม่พอตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าเราไม่ติดอะไรแล้วตายไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คือหน้าที่ของปัญญาที่เราจะต้องดูในสิ่งที่เราไม่ชอบเพื่อที่จะได้เอามาทําลาย ความชอบของเราเวลาเราชอบอะไรนี่เราต้องมองส่วนที่ไม่ที่เราไม่ชอบดูพอเราเห็นส่วนที่เราไม่ชอบดูแล้วมันก็จะทำให้เราหายชอบเช่นอาหารนี่ก็เหมือนกันเราชอบรับประทานอาหารเราชอบมองอาหารในจานเราไม่ชอบมองอาหารในท้องกันไม่ชอบมองอาหารในปากกันไม่ชอบมองอาหารเวลาถ่ายออกมาเราต้องมองส่วนที่เราไม่ชอบมองางแล้วเวลาหิวอาหารมันจะได้ไม่อยากกิน วิธีแก้แก้กิเลสแก้ความชอบต้องมองในส่วนที่ทำให้เราไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกินพอเรากินมากเกินไปเห็นไมไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสไม่ต้องไปอะไรหรอกใช้ํามรมางพระเจ้าเนี่ยวิเศษที่สุดไม่ต้องเหนื่อยกินแล้วก็ไปวิ่งไปเต้นให้มันเมื่อพอวิ่งเต้นเสร็จก็หิวอีกก็ไปกินอีกมันไม่มีทางที่จะแก้ได้หรอกต้องแก้ด้วยวิธีของพระเจ้านี่ พยายามนึกถึงอาหารที่มันอยู่ในปากเราอยู่ในท้องเราอยู่ที่ในโถส้วมเนี่ยมันก็เป็นอาหารทั้งนั้นอ่ะมันมาจากไหนใช่ไหพอเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะได้ไม่ไม่หิวมันก็จะกินแบบกินยาถึงเวลาก็กินถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่กินกินเพื่อดับความผิวไม่ได้กินตามความอยากแล้วจะมีสุขภาพร่างกายที่สบายน้ำหนักไม่เกินไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเดืดเดียน นี่คือเรื่องของปัญญาแต่จะใช้ความคิดเหล่านี้ได้จิตต้องมีความสงบก่อนถ้าไม่มีความสงบไม่ไม่ยอมคิดหรอกไม่ไม่อยากจะคิดถึงมันเพราะกิเลสมันต่อต้านไงเวลาจิตไม่สงบนี่กิเลสมันมันทํางานมันก็จะไม่ยอมให้เราไปมองในส่วนที่เราไม่ชอบมองไม่ชอบดูกันแต่ถ้าจิตของเราสงบแล้วเนี่ยจิตมันเป็นกลางมันไม่มีตัวต่อต้านให้มันดูอะไรมันดูได้หมด แล้วถ้าดูบ่อยๆมันก็จะจำได้ที่เราต้องงานดูบ่อยๆเพื่อให้มันจำได้เพื่อที่ในเวลาที่เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราจะได้เอาเอาส่วนนี้มาช่วยดับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นาการมีสมาธิจึงเป็นบาทฐานของปัญญาถ้าไม่มีสมาธิจะไม่สามารถพิจารณาสิ่งต่าง ๆ, ๆเหล่านี้ได้ข้อต่อไปเดี๋ยวก่อนนะครับ เดี๋ยวใครอยากจะไปก่อนก็จะให้พรก่อนนี้ไหมเผื่อใครทำบุญเสร็จแล้วอยากจะกลับบ้านหรือมีธุระอะไรเดี๋ใครอยากจะอยู่ฟังต่อก็ได้นะเดี๋ยวขอขอข อ, ขอให้พรก่อนเมื่อกลับไปเนะี่ยเราชันมากไม่ได้ไม่ได้ชันมานานน้แล้วก็อะอย่เงี้ยส่วนใหญ่จะชันน้ำเปล่าชันชาบางทีนานๆชันทีมันก็ง่งวงเนาะมันก็ทาให้ไม่นอนนอนไม่หลับได้ งั้นช่วงนี้ขออนุญาตตัดไปช่วงสองเลยนะครับชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับเออมีกี่คนนะวันนี้มีสี่ร้อยกว่าท่านครับสี่ร้อยสามสิบกว่าเราถ่ายทอดนอนะไปทั่วโลกเลยตามตามคนติดตามติดต่อนะครับอ่ะเป็นยังไงวันนี้มาติดต่อด้านล่างเรืองบวชครับเรื่องบวชแล้วแหละแต่บวชนานด้วย ข ต, ต, ตัขตปัาพันานะนขันตับปัญหาพันาเลยขันตับไปเรื่อยๆครับอ๋ อ, อดี่วยไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกาหนดนั่นละลครับแล้วตับอเครับอ่าติดตาเรียบร้อยแล้วเลยครับผม อ, อที่นี่มีใครอยากจะถามปัญหาอะไรไหมถ้าไม่มีก็ฟังจากทางบ้านก็แล้วกันนะ คำถามจากคุณโสพิทนะครับถ้าเราฟังธรรมะไปด้วยและนั่งภาวนาไปด้วยจะให้ใจอยู่ฟังธรรมะหรืออยู่กับพุโทโธคะและเวลาเข้าห้องน้ําลูกจะกําหนดพุโทโธตลอดได้ไหมคะได้เวลานั่งรถก็กําหนดพุโทโธเดินไปตลาดก็พุโทโธรู้สึกว่าชีวิตเย็นขึ้นคะ่ะได้พุโทโธนี่สามารถกําหนดได้ทุกแห่งทุกคนไม่ถือว่าเป็นการไม่เคารพเพราะว่าการพุโทโธนี่ถือว่าเป็นการปฏิ บ, ตบัติบูชา เป็นการแสดงความเคารพ ก, กับพระพุทธเจ้าทุกทุกแห่งทุกขนทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในห้องน้ำหรือที่ไหนก็ได้ถ้าพุทโธได้ถือว่าเรากําลังบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ส่วนคําถามเมื่อกี้ข้อหนึง่งข้อแรกก็ถามว่าอะไรนะเกี่ยวกับเมื่อกี้เนี่ยที่ถามใหม่ด้วยตอนตอน้ออ๋อระหว่าง่าฟังธรรมะไปจะให้อยู่กับภ า, าวนาอยู่กับการฟังธรรมหรือให้อยู่กับพุทโธครับ การฟังธรรมก็ต้องอยู่กับการฟังธรรมถ้าเราต้องการพุดทโธเราก็ไม่ต้องฟังธรรมให้เสียเวลาเพราะมันจะปนกันม like ันจะชนกันเวลาฟังธรรมนี่อย่าไปพุทโธถ้าเราอยากจะพุทโธเราก็ไม่ต้องไปฟังธรรมการฟังธรรมนี่เราสามารถใช้ใช้การฟังธรรมนี้เป็นแทนพุทโธได้จะทําให้ใจเราสงบเหมือนเหมือนกับพุทโธแล้วอาจจะดีกว่าเพราะเราจะได้ปัญญาเราจะได้ความรู้ความเข้าใจ ฉะนั้นเวลาฟังธรรมนี้ขอให้มีสติอยู่การฟังแล้วใจก็จะสงบหรือใจก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาแต่ถ้าเราต้องการจะพุโทโธเราก็ไม่ต้องฟังธรรมพุโทโธไปเลยถ้าเปิดถ้าพุโทโธด้วยฟังธรรมไปด้วยมันจะชนกันแล้วมันจะทำให้ไม่สงบแต่ถึงฟังธรรมแต่อยู่ในอริยบทของการนั่งสมาธิก็ไม่ก็ให้ฟังธรรมอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ คำถามจากคุณกรลาวีนะครับตัวรู้ติดอยู่กับตัวคิดใช่ไหมคะแยกไม่ออกค่ะเมื่อบรรลุแล้วตัวรู้คือนิพพานใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกตัวรู้ก็เป็นตัวรู้ตัวรู้ที่เป็นนิพพานก็เพราะว่าตัวรู้กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากตัวรู้ตัวรู้ก็ยังเป็นตัวรู้อยู่แต่ตอนนี้ตัวรู้มันถูกอำนาจของความโลภโกรธหลงครอบงาอยู่ ก็เลยทําให้พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดพอใช้สติปัญญามากําจัดความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปอยากตัวรู้ตัวรู้ก็ก็หลุดพ้นหลุดการหลุดพ้นการที่ไม่ไปเกิดท่านก็เรียกว่านิพพานก็จิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงนี่เรียกว่านิพพานคําถามจากคุณสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนะครับหลังจากสวดมนต์และภาวนาเสร็จ ถ้าต้องการแผ่เมตตาอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลทั้งแบบทั่วไปหรือเจาะจงจําเป็นใหม่คะที่จะต้องกวดน้ําและอุทิศ ส, ส่วนบุญกุศลแล้วทั้งคนทั้งยังมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วจะได้รับบุญต่างๆที่เราอุทิศใหม่คะเป็นคําถามที่รุ่นน้องฝากถามไม่ได้หรอกบุญทิศนี้ต้องเกิดจากการทําทานเวลาทําทานแล้วเราก็อุทิศอย่างเมื่อกี้เนี่ยมาทําทานแล้วเราก็อุทิศได้เลย เวลานั่งสมาธิน bon erm nah evet ี้เราอุทิศสมาธิให้คนอื่นไม่ได eh ้สมาธินี่ของใครของมันยังก็ดีเราไม่ต้องนั่งสมาธิร้อยคนอื่นเกานั่งให้เราเสร็จแล้วก็แบ่งสมาธิให้กับเราไอ้เวลานั่งสมาธิสิทธนี่อุทิศบุญไม่ได้แผ่เมตตาไม่ได้าจเพราะไม่มีใครรับการแผ่เมตตาต้องมีคนรับจะแผ่เมตตก็ต้องเจอหน้ากันเวลาเจอกันยังตอนที่เราเจอกันเนี้ยเราก็เอาขนมมาแจกกันเรียกว่าแผ่เมตตา ไม่ใช่มามาเจอกันแล้วก็มาทะเลาะกันอย่างนี้มันไม่ได้แผ่เมตตาการแผ่เมตตก็คือแผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่นต้องมีผู้รับและต้องมีความสุขให้กับเขาเช่นเอาเงินมาแจากคนละร้อยสองรอยเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสไปหมดใช่ไหมถ้ามาแล้วมามาด่าคนนั้นมาว่าคนนี้เนี่ยทุกคนก็เดือดร้อนไปหมดแการที่เราสวด หลังจากที่เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วนี่เป็นการสอนใจเป็นการทําการบ้านในการเตือนไม่มีเวรกันอัปยาปชาหนุนตุเราต้องไม่เบียดเบียนกันอันนี้เป็นการเตือนใจสอนใจซ่อมไว้ก่อนเวลาที่เราไปเจอกับคนนั้นคนนี้แล้วก็มาทําให้เราโกรธนี่เราก็ต้องให้ภายเขาไม่จองเวรกันเวลาที่ใครก็ทําเราเดือดร้อนเราก็อย่าไปเบียดเบียนกันอันนี้คือเรื่องของ การสวดหลังจากที่เรานั่งสมาธิเสร็จแล้วไม่ได้เป็นการแผ่ไม่ได้เป็นการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลนะมักจะเข้าใจผิดกันเ ร, เราไม่ไปทําบุญกันคิดว่าทําน <c oughs> ีเราอยากจะอุทิศบุญเนี่ยต้องมาทําบุญอย่างวันนี้ยเนี่ยทําเสร็จตอนนี้มีบุญในใจแล้วอยากจะอุทิศให้ใครก็อุทิศไปได้เลยตอนนี้อยากจะแผ่เมตตาให้กับใครก็ได้ยังมีญาติโยมคนหนึ่งครอบครัวหนึน่งเขาเวลามาฟังธรรมสาวทิศ เขาจะขนน้ำขนน้าผลไม้น้ำเย็นมาแจกนะอันนั่นแหละเรียกก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาเนี่ยให้ความสุขแก่ผู้อื่นอันนั่นแหละเป็นเวลาที่จะต้องแผ่เราจะแผ่เมตตาได้ต้องมีผู้รับผู้รับก็คือคนหรือสัตว์ที่เราเจอพบปะด้วยกันเดีวสุนัขมาจอนจัดเห็นมันหิวข้าวโซเซก็หาอาหารหาข้าวมาให้มันกิน นี่เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่เอาไม้ไปตีไปไล่เหมือนนี้เข้าใจไหมอาจารย์ครับแล้วหมู่เทวดารับได้ไหมครับอาจารย์ค่ะเขามาร้อ ร, รับก็รับได้เราเราไม่รู้ว่าเข้ามาหรือเปล่าใช่ไหมอย่างถ้ามีเทวดามาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยกับหลวงปู่ม่านนี้เวลาท่านเทศโสดท่านก็อนุท่านก็ให้พรไปสัอไ ป, ไปก็การแสดงธรรมก็เป็นการแผ่เมตตาละ ให้ธรรมทานเนี่ยซึ่งเป็นการให้ที่สูงสุดสูงกว่าการให้ให้ข้าวให้ของต่างๆอันนั้นก็เป็นการแสดงความเมตตาของพระพุทธเจ้าของพระอราหันต์เวลาที่มีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมเวลาให้ความเมตตาเหมือนกันให้ธรรมะแก่ญาติโยมที่มาฟังเทศฟังธรรมกันคำถามจากคุณนภัทรนะครับ การฝันถึงเพื่อนที่เสียชีวิตไปนานแล้วมีเหตุแห่งการฝันถึงหรือไม่คะแล้วเราควรที่จะกวดน้ําทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อนที่ฝันถึงหรือไม่คือเราคิดถึงอดีตนี้บางทีก็เราไปเห็นภาพได้ยินเสียงอะไรที่มันมันมันตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นไปฟังเพลงเก่าๆพ อ, อฟังแล้วมันก็นึกถึงเพื่อนคนนั้นเพื่อนค น, นี้ขึ้นมามันก็เป็นความคิดของเราเั้านั้นเอง ส่วนเขาจะไปถึงไหนแล้วเราก็ไม่รู้่ะเขาอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรไปแล้วก็ได้แต่ถ้าเรายังอยากจะ อ, อุทิศบุญให้กับเขาเราก็ไปตักบาตรไปใส่บาตรหรือไปเอาขอเอาข้าวของไปให้ทานที่ไหนแล้วเราก็อุทิศบุญนั้นไปก็ได้คุณนิรามณถามว่าเวลาที่เราอธิษฐานขอนูน่นขอนี่ในทางโลกเช่นขอให้รวยขอให้สวย ขอให้มีคู่มันขอได้จริงหรอคะรู้สงสัยมาตลอดขอไม่ได้เร้วต้องสร้างมันขึ้นมามันมีเหตุที่ทำให้เรารวยมันมีเหตุที่ทำให้เราสวยเราต้องไปทำที่เหตุเหตุที่ให้เรารวยก็คือให้เราขยันทำงานเก็บเงินเก็บทองอย่าไปใช้เงินใช้ทองเดี๋ยวมันก็รวยเ อ, เอาแล้วถ้าสวยครับอาจารย์สวยถ้าชาตินี้ก็ต้องเข้าไปล่าเสริมสวยถ้าสหรับชาติหน้าก็พยายามทาบุญเยอะ <laughs> ครับคาถามข้อต่อไปจากคุณเยสเตอร์นะครับจิตที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันฟุ้งซ่านมากๆทำยังไงก็ไม่ยอมลงจะมีอุบายอย่างไรที่จะทำให้สู้กับมันไปมันจะฟุ้งเงี้แล้วก็พูดโธพูทโธพูทโธพูดโทพดโทพโธไปถ้าเราอยู่กับพูทโทได้เดี๋ยวไม่นานห้านาทีสิบนาทีมันก็หายไปละสงบได้ คำถามจากคุณสวนคุณตาเฮิร์บนะครับทำไมคนที่เพียงแค่ทาบุญตามประเพณีตามพ่อแม่ถึงได้ขึ้นสวรรค์ถึงชั้นยามาสูงกว่าพวกชั้นดาวดึงคือการทำบุญนี่มั น, ม, นมันก็มีผลของมันไงารทาบุญรักษาศีลก็จะทำให้เราไปเกิดเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆจะสูงมากสูงน้อยก็อยู่ปริมาณของการกระทำของเราทำมากทำน้อย ก็เหมือนกับเราไปพักโรงแรมเรามีเงินมากล้วก็พักโรงแรม5้าดาวได้มีเงินน้อยหน่อยก็พัก3ามดาวสองดาวแล้วแต่กำลังเงินของเราใช่อันนี้ก็เหมือนกันสวรรค์ชั้นต่างๆมันก็เหมือนโรงแรมดาวต่างๆถ้าเราทำบุญมากเราก็จะมีเงินมากเราก็สามารถไปจ่ายค่าค่าโรงแรมของโรงแรมที่มีดาวดาวหลายๆดวงได้ถ้ามีบุญน้อยก็จ่ายโรงแรมที่มีดาวต่าหน่อย ก็อยู่ที่การทําของเราว่าเราทํามากทําน้อยถ้าเราทํามากมันก็จะขึ้นไปสูงคําถามจากคุณชัยยานะครับจะทําอย่างไรเวลาที่คิดถึงคุณแม่ที่เสียไปแล้วจิตตกร้องไห้รู้สึกไม่อยากมีชีวิตแล้วจะแก้ไขอย่างไรดีคะก็อย่าไปคิดเสียใช้พุโทโธหยุดมันบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป หรือถ้าจะใช้ปัญญาก็บอกว่ามันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันเป็นเหมือนความฝันเมื่อคืนนี้เรานอนหลับฝันพอเราตื่นขึ้นมาความฝันเหล่านั้นมันก็หายไปแล้วเราไปดึงมันมาอย่างไงมันก็ไม่กลับมาไปไปคิดแล้วก็จะทำให้เราไม่สบายใจเสียใจไปเปล่าๆงั้นถ้าเราใช้สติได้ก็ใช้สติไปใช้ปัญญาได้ก็ใช้ปัญญาไปแล้วมันก็จะหยุดคิดหยุดฝัน แล้วจริงไหมครับพรอาจารย์ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเรายิ่งทุกข์ไปกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนที่เสียชีวิตไปแล้วน่นา จ, จะอยู่ไม่สุขเพราะเราทุกข์อ๋อไม่เกี่ยวกันะตัวใครตัวมัน <c oughs> ไม่เกี่ยว น, นอกจากว่าเขายังมากังวลกับเราอยู่ยังอยากให้เรามีความสุขอย่างนั้นก็เป็นไปได้เรอยากจะให้เรามีความสุขแล้วเขาเห็นว่าเรามีความทุกข์เขาอาจจะทุกข์ไปกับเราก็ได้คําถามจากคุณยุพาพรนะครับ พระอาจารย์ช่วยเทศเรื่องคนที่ทำบุญจิตใจจะต้องดีใช่ไหมคะแต่ทำไมบางคนไปวัดทำบุญยังจิตขุ่นมัวอยู่เลยเลยไม่เข้าใจว่าคนไปวัดเพื่ออะไรก็บางทีทำบุญเนี่ยมันทำมากทำน้อยไงแล้วทำด้วย เ, เหตุผลอันใดถ้าทำด้วยความหลงนี่มันก็จะยังไ ม, ไม่ไม่เป็นคนดีได้เช่นทำเพราะความโลภอยากให้ร่ำให้รวย อยากได้นั่นอยากได้นี่ถ้าทำแบบนี้ก็จิตใจก็ยังไม่ดีแต่ถ้าทำด้วยความเมตตาอยากจะให้คนอื่นมีความสุขอันนี้ก็จะทำแล้วจะทำให้เราเป็นคนดีเพราะเราจะคิดดีต่อผู้อื่นแล้วเราก็จะพูดดีทำดีต่อผู้อื่นแต่ถ้าเราทำด้วยความโลภนี่ความโลภมันจะทำให้เราไม่ไม่คิดดีพูดดีพอใครมาขัดความมะ คนบางคนเข้าวัดโดยที่ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงเข้าวัดคิดว่ า, าจะทําให้ตนเองได้สิ่งที่ตนเองอยากได้อันนี้ก็เลยก็เลยทำเข้าไปโดยที่ไม่มีความคิดถึงความสุขความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นคิดแค่ว่าขอให้ได้ทําทําแล้วตัวเองจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาก็จะไม่ไปไม่มีความเมตตาไม่ได้ทําด้วยความเมตตาทําด้วยความโลภ ด้ ค, คำถามจากคุณโยมโจนะครับอาของผมเป็นคนหูไม่ดีเวลาอยู่ที่อื่นแต่เขากลับไปบ้านเขามักจะได้ยินเสียงต่างๆซึ่งตัวกับผมไม่ได้ยินเกิดจากอะไรครับเสียงที่เขาได้ยินมันเสียงข้างในเขาเรียกเสียงทริปเสียงที่ได้ยินด้วยใจไม่ได้ยินด้วยหูนัคนหูหนวงนี่ยังได้ยินเสียงเสียงข้างในอยู่ เสียงของความคิดเขาเขาคิดอะไรมันก็ยังมีเวลานอนหลับนี่เขาจะเหมือนกับว่าเขาได้ยินเนื้อเนื้นื่งนี้เวลาเราฝันนี่เราไม่ได้ให้ตาหูจมูกลิ้นกายนะ้ยแต่ทําไมเราเห็นนูน่นเห็นนี่ได้ยินนูน่นได้ยินนี่ได้กินนูน่นได้กินนี่มันก็กินทางจิตใจน่ะคําถามจากุลนิฐานนะครับการทํางานต่างๆต้อ ง, ง, ง, งเริ่มจากสิ่งที่รักที่ชอบทําดีหรือไม่เจ้าคะ หรือว่าทำอะไรก็ได้ทุกอย่างแล้วมองหาข้อดีของการงานนั้นคือการทำงานเราก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราทำเพื่ออะไร mm hmm. ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับเราและกับผู้อื่นถ้าเราทำางนี้มันก็จะมีผลดีตามมาแต่ถ้าเราทำเพื่ออย่างอื่นเพื่อให้ใ ห, ใหญ่โตหรือเพื่อที่ได้แสดงบา ร, รมีแสดงความเก่งความสามารถเนี่ย มันอาจจะทําแล้วมันไม่มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับผู้อื่อาจจะเกิดโทษกับผู้อื่นก็ได้ดะงนั้นตอนที่เราจะทําอะไรเราก็ควรจะคิดก่อนว่าการกระทําของเรานี่ทำแล้วเกิดโทษหรือเกิดคุณกับตัวเราเองหรือกับผู้อื่นถ้าทำแล้วเกิดโทษอย่าไปทําดีกว่าเพราะโทษนี้มันจะกลับมาหาเราเราทําอะไรกับผู้ใดแล้วผู้นั้นเขาก็จะโกรธเกลียดเราแล้วเขาก็จะมาหา หาโทษกลับมาให้เราเฉนั้นการจะทำอะไรก็ต้องต้องคิดให้ดีก่อนว่าทำแล้วจะเกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษนี่คือความหมายของการทำความดีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่เกิดคุณเกิดประโยชน์แต่ไม่เกิดโทษนี่ก็เป็นการกระทำความดีการกระทำความชั่วก็คือการกระทำที่เกิดความไม่เกิดไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์แต่เกิดโทษกับผู้นและกับ เกิดโทษกับตนเองอันนี้เรียกว่าเป็นการกระทําชั่วหรือการกระทํำที่ไม่ดีงั้นเวลาเราจะทําอะไรแล้วก็ห่อให้เรามองไปตรงที่ผลที่จะตามมาคําถามจากคุณธีรวัตรนะครับเมื่อวันก่อนได้ฟังพระอาจารย์อธิบายเรื่องจิตวิญญาณหรือผีที่มีคนเห็นพระอาจารย์ว่าคนพวกนั้นเห็นไม่จริงถูกเขาหลอกถ้าเขาเห็นวิญญาณจริงเขาต้องสามารถคุย ถามตอบกับวิญญาณกันได้แล้วมีรายการหนึ่งอ้างว่ามีจิตสัมผัสสามารถคุยโต้อตอบกับวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้อันนี้จริงหรือไม่เพราะถ้าจริงทําไมเขาไม่คุยกับวิญญาณที่ถูกฆาตกรรมในคดีดังเพื่อ น, นําไปสู่การจับคนลายได้พระอาจารย์ช่วยส บ, บายอธิบายให้กระจ่างทีครับเพราะว่าดวงวิญญาณของคนที่ถูกฆ่าตายก็อาจจะไปเกิดที่ไหนแล้วก็ได้ก็จะไปติดต่อได้ยังไง มันอยู่ที่ดวงวิ ญ, ญญาณที่ตายไปว่าเขาจะมาติดต่อกับผู้ที่มีพลังจิตที่จะติดต่อกับเขาหรือเปล่าถ้าก็ไม่มาติดต่อแล้วเขาก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะฉะนั mm ้น hmm. มันไม่แน่นอนในะเรื่องของคนนี้ดวงวิญญาณบางดวงวิญญาณก็ยังอยากจะมารายงานผลมา mm hmm. อาจจะมาเข้าฝันหรือเข้าอะไรกับใครก็ได้แต่ดวงวิ ญ, ญญาณที่เขาตายไปบางทีเขาก็ไปแล้วเขาก็ไม่ไม่สนใจแล้ว ตัวกำนาของบุญของบ่าวที่ก็ทําไว้ฉุดลากไปแล้วดังนั้นมันก็อยู่ทั้งสองฝ่ายอยู่ผู้ที่รับว่ามีเครื่องรับหรือเปล่ามีพลังจิตหรือเปล่าแล้วอยู่ที่ดวงวิ ญ, ญญาณว่าเขาอยากจะมาติดต่อมาแจ้งความหรือเปล่า <c oughs> อย่างอย่างหุวงปู่มั่นเนี่ยคนที่ท่านตายไปเนี่ยท่านก็มาแจ้งความมาบอกแม่ชีลูกศิษย์ท่านแม่ชีท่านนี้ท่านก็ติดต่อกับดวงวิญ ญ, ญาณได้ แ, แม่ชีนิ้ท่งก็จะเตรียมตัวจะไปกลาวหลวงปู่มั่นในวันวันลุ่งขึ้นพอดีหลวงปู่มั่นก็รู้แล้วพอเวลาหลวงปู่มั่นเสียหลวงปู่มั่นก็มาบอกแม่ชีว่าไม่ต้องมาหาเราแล้วล่ะเราตายแล้วไปก็จะไปเจอแต่ซากของเราแม่ชีนี่ก็รู้ตั้งแต่ในตอนตอนดึกตอนที่แกนั่งสมาธิหลวงปู่มั่นท่งก็เสียในตอนดึกแล้วพอตอนเช้าแกก็เล่าให้พวกแม่ชีที่อยู่ในสำนักฟัง ในสำนักรู้หลวงปู่ม่านตายแต่ในหมู่บ้านยังไม่มีใครรู้แล้วสายๆจึงมีคนส่งข่าวมาจากทางอำเภอพอถึงรู้กั น, นก็เป็นเครื่องวิสูทธ์ว่าแม่ชีนี่ท่านรู้จริงเห็นจริงคุณจุธาทิศถามมาว่าพระจานย์มีเดินทางไปอินเดียบ้างไหมครับไปทำไมล่ะคำถามจากคุณสุ ม, มาวดีนะครับ ขณะนั่งสมาธิเกิดเวทนาขึ้นพยายามภาวนาพุโทโธอยู่นานแต่จิตไม่ยอมสงบวนเวียนคิดถึงแต่เวทนาที่เกิดตลอดจึงตัดสินใจเปลี่ยนไปเพ่งเวทนาและพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปรากฏว่าสักครู่เดียวเวทนาก็ดับแล้วกลับมาภาวนาพุโทโธต่อความสงบจึงกลับมาอีกครั้งไม่ทราบว่าปฏิบัติเช่นนี้ได้หรือไม่คะได้ถ้าทําให้จิตสงบก็ได้จะเพ่ง ที่ตรงไหนก็ได้เพ่งแล้วทำให้เราปล่อยวางหยุดความอยากในใจเราได้ใจก็จะสงบคำถามจากคุณทัญญานะครับทานศีลภาวนาสำหรับคารวาที่ทำควบคู่กันไปเราจะมีวิธีตรวจสอบได้อย่างไรคะว่าทำตัวไหนไม่พอเพื่อที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติได้มากขึ้นก็ทานนี่แหละเป็นตัวตัวเริ่มต้นก่อน ทำทานมากน้อยมันก็จะทําให้เรารักษาศีลได้มากน้อยขึ้นไปภาวนาได้มากน้อยขึ้นไปตามลา ด, ำดำับเหมือนในตอนเราสร้างบ้านเนี่ยเราจะสร้างตึกกี่ชั้นมันก็ต้องอยู่ที่รากฐานของของของตัวอาคารถ้ารากฐานมันรองรับตึกได้แค่3มชั้นมันก็สร้างได้แค่3มชั้นถ้าอยากจะให้มันได้สิบชั้นมันก็ต้องสร้างรากฐานขนาด10ชั้นการให้ทานก็เหมือนกัน ให้ร้อยละสิบมันก็จะรักษาศีลได้ร้อยละสิบเพราะมันจะมีเวลาเพลงร้อยละสิบมามาทําทาน อ, อีกเวลาไอ้เก้าสิบมันจะไปทำหมากินไปทําธุระอย่างอื่นมันก็จะทําให้รักษาศีลไม่ได้แต่ถ้าเราทำร้อยทั้งร้อยอย่างคนที่ออกบวชนี่น่มั้ยเขาสละเงินไปหมดเลยเขาก็มีเวลามาบวชเขาก็รักษาศีลได้ตลอดเวลามีเวลาภาวน า, ไ ด, ดวาได้ตลอดเวลาก็ได้เต็มร้อย มันก็อยู่ที่ทานที่เราให้ยิ่งเราให้มากเท่าไหร่เราก็จะมีเวลามามารักษาศีลได้มากขึ้นเท่านั้นมีเวลามาภาวานาได้มากขึ้นเท่านั้นคําถามจากคุณมาลุนะครับคนที่อยู่ต่างประเทศไม่มีพระสงฆ์เราจะทําอย่างไรถึงจะมีบุญอุทิศให้กับผู้ที่ได้ร่วงรับไปแล้วก็ทําบุญที่ไหนก็ได้บุญนี้ไม่ต้องทํากับพระก็ได้ทําบุญกับสภากาชาดโรงพยาบาล คนเจ็บ่ายได้ป่วยคนเดือดร้อนที่ไหนทำให้แล้วมันก็เป็นบุญในใจขึ้นมาบุญนี้เราก็อุทิศไปได้ครับคาถามข้อต่อไปจากคุณวิชัยนะครับอะไรเป็นเหตุให้คนบางคนอยากอยู่วิเวกอยู่คนเดียวเป็นกำลังบุญจากการเคยปฏิบัติในอดีตหรือเปล่าครับเพราะจิตเขามีความสงบจิตเขาไม่หิวกับรูปเสียงกยนลนรด เขากลับเห็นเวลาไปพบกับรูปเสียงกลิ่นรถนี้ทำให้จิตเขาไม่สงบทำให้จิตใจเขาวุ่นวายเขาก็เลยไม่ชอบอยู่กับใครเขาชอบอยู่คนเดียวพราะความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรถคนบางคนก็เคยบาเพ็ญมาในอดีตชาติมาก่อนคนบางคนก็เด็กไม่มีสามีไม่มีภรรยาเขาไม่หิวโหยกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรดเขาก็อยู่ตามลาพังได้อยู่คนเดียวได้ บวชได้เนี่ยบางคนก็บวชไม่ได้ก็ก็ยังต้องมีรูปเสียงกิิ่นรถมีอะไรต่างๆให้ความสุขกับเขาอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมมาในอดีตชาติในอดีตชาติเราอาจจะเคยมาเกิดอยู่กับใกล้วัดแล้วมีคนพาเราเข้าวัดพาเราไปบวชแล้วพอเราบวชแล้วเราก็เราก็ชอบติดนิสัยมาพอชาตินี้มาเกิดปั๊บพอมีโอกาสเจอวัดเจอที่ไหนที่เราบวชได้เราก็า จ, จะบวช มันเป็นเรื่องที่สะสมมาในอดีตคนเราจรึงไม่เหมือนกันในเรื่องนิสัยใจคอในเรื่องการรักการชอบบางคนชอบความสงบบางคนชอบเฮฮาปาร์ตี้ถึงแม้จะมาเกิดจากครอบครัวเดียวกันมาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่จิตใจนี้มาจากคนละที่กันถ้ามาจากพ่อแม่ทั้งหมดมันก็ต้องเหมือนกันหมดทุกคนใช่แต่ไม่มีใครเหมือนกันลูกๆแต่ละคนนีมีนิสัยใจคอมีความชอบความชังไม่เหมือนกัน เพราะว่าจิตนี่มาจากคนละที่กันอันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเนี่ยจิตมันได้มาเกิดใหม่นร่างกายนี้มาจากพ่อแม่จริงมอบพ่อแม่เป็นคนผลิตร่างกายให้กับเราแต่เรานี่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้เรามาจากชาติก่อนร่างกายของเราอันเก่ามันตายไปแล้วเราก็เลยไปรับผลบุญผลบาปพอถึงเวลาที่เราจะได้มารับร่างกายใหม่แล้วก็พอดีได้จังหวะมาเจอร่างกายของแม่อยู่ในท้องก็เลย มาจับจองเป็นเจ้าของไปแล้วพอออกมาเราก็ใช้นิสัยเดิมของเราเราชอบอะไรเราก็ยังชอบเหมือนเดิมอยู่เท่าถนัดมือขวาเราก็ยังจะใช้มือขวาอยู่เราเกียดอะไรเราก็จะเกียดเหมือนเดิมกลัวอะไรก็จะกลวเหมือนเดิมเคยกลัวตุ๊กแกมันก็เกิดมาชาตินี้มันก็จะกลัวตุ๊กแกเคยเคยอะไรมันมันมันเป็นคนเดียวกันใสคนถึงคนบางคนชอบเข้าวัดโดยที่ไม่มีใครสอนไม่ต้องบังคับบางคนก็ชอบ ติดเล่าโดยที่ไม่ต้องมีใครชวนมันเป็นนิสัยติดมาจากชาติก่อนท่านเอเรียกว่าเป็นบุญกับบาปกันถ้าเป็นนิสัยดีก็เรียกว่าบุญชอบทําความดีชอบรักษาศีลชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นอันนี้เรียกว่าบุญแต่คนที่ทําบาปชอบเบียดเบียนผู้อื่นชอบเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนชอบดื่มสุรายาเมาพวกนี้ก็เป็นพวกชอบทําบาปกัน ครับค่าสัตว์ตับชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีคำถามข้อต่อไปจะคุณพิชนันตนะครับการให้ทานเป็นธรรมทานกับการให้อภัยทานอันไหนได้บุญมากกว่ากันส่วนนั่งวิปัสนาได้บุญมากกว่าทั้งสองอย่างใช่หรือไม่ก็อยู่ที่ความรู้สึกในใจเราเวลาเราให้อะไรแล้วมีความรู้สึกสบายมีความสุขมันก็เป็นบุญ ถ้าให้แล้วมันไม่รู้สึกไม่สบายมันก็ยังไม่เป็นบุญดังนั้นขอให้เราดูที่ใจเราก็แล้วกันว่าเร า, ว เ, ราเวลาเราให้อะไรแล้วเรามีความสุขหรือไม่มีความสุขถ้าเรามีความสุขมันก็เป็นบุญ <swear. S 2> แล้วให้อย่างไหนมันทําให้เรามีความสุขมากกว่าอันนี้นก็เป็นบุญมากกว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการให้ในสิ่งที่เราให้ยากของที่ให้ง่ายมันจะไม่ค่อยรู้สึกมีความสุขเท่าไหร่แต่ของที่ให้ยากนี้ให้ได้แล้วมันจะมีความรู้สึกมากกว่ารู้สึก ได้ปล่อยวางได้เสียสละทำให้เรามีความสุขใจให้ของที่เราไม่รักนี่มันมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรเช่นของเก่าของที่เราใช้แล้วเนี่ยให้ใครเข้าไปนี่เราจะรู้สึกเฉยเยแต่ของที่เรากำลังชอบเพิ่งซื้อมาใหม่ๆกำลังใช้อยู่นี่คนมาขอแล้วยกให้เขาได้นี่มันจะมีความรู้สึกต่างกันนี้มันอยู่ที่ว่าเราให้ในสิ่งไหนถ้าเราสามารถให้สิ่งที่เรารักมากที่สุดได้เราจะมีความสุขมาก และสิ่งที่เราเล่ามากที่สุดก็คืออะไรก็คือร่างกายเราเนี่ยถ้าเราสละร่างกายได้ยอมตายได้เนี่ยพอ้เราจะมีความสุขมากเลยนั่นนั่นคือพระโพธิสัตว์ระดับระดับสูงแล้วพระอาจารย์ระดับใกล้พระพุทธเจ้าแล้ว อ, อ๋อ ไ, ไม่ก็ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพระโสดาบันท่านก็สละร่างกายท่านสละร่างกายท่านยอมตายพอท่านยอมตายแล้วใจท่านก็สบายไม่ต้องมาวิตกกังวลกับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายกต่อไป คำถามข้อต่อไปจากคุณฉลักษในธรรมนะครับใจเป็นกลางๆโดยไม่มีโลภโกรดหลงถ้าถึงเวลาต้องไปจากโลกนี้จะตกนรกไหมคะไม่ไม่นันแล้วแต่นันแล้วแต่ถ้าถ้าไม่มีโลภโกรดหลงมันก็เป็นผ้าอาหานะหันนั่นนี่มันไม่มีโลภโกรดหลงแค่เฉพาะช่วงในสมาธิอัธยาี้ก็ยังไม่ถาวร อันนี้ก็ยังอานาจของบุญกับบาปที่เคยทำไว้มันยังสามารถมาพาให้ไปเกิดในที่ต่างๆได้อยู่แต่ถ้าเป็นแบบไม่ไม่มีโลภโกรธหลงเลยบริสุทธิ์ผุดผ่องใจบริสุทธิ์นี้ก็จะไม่มีอะไรดึงไปให้ไปเกิดได้แต่ถ้ามันเป็นความโลภความความความไม่มีโลภโกรธหลงเฉพาะเวลาที่บางเวลาอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้อาจญาตโยมอาจจะไม่มีโลภโกรธหลงก็ได้ใช่มจะ น, นั่งอยู่เฉยๆได้ ไม่โรภใช่ไหมไม่โกรธใช่ไหมไม่หลงใช่ไหมแต่ไม่ได้นานเท่านี้เดี๋ยวไปเจออะไรเข้าก็เกิดความโลภขึ้นมาได้ถ้าอย่างนี้ยังไม่ถือว่าถาวรก็ยังต้องไปเกิดต่อได้ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนอไม่มีความโลภโกรธหลงไม่ได้ตลอดเวลาอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเกิดแนละ้วพระอาจารย์ครับการทํางาน ถ, าถ่ายท่อสดนะครับพระอาจารย์ มันจําเป็นจะต้องออมีสติอยู่ตลอดเวลาทั้งถ่ายทั้งแทนทั้งอา่องานคำถามจัดเรียนต่างๆนี่ถือว่าเป็นการเจเริญสติไ้มครับอาจารย์ก็ต้องมีสติต้องมีความใจต้องจดจอ่ออยู่งานที่เราทําแต่ยังเป็น ส, สติขั้นขั้นขั้นขั้นอ่อนอยู่คือมันยังเคลื่อนไวหวทํานู่นทำนี่ได้อยู่แต่เวลาจะให้มันสงบจริงๆนี่มันต้องมีสติอยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับนมหายใจอ ย, อย่างเดียวอยู่กับพูดโ้อยอย่างเดียว มันถึงจะสามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่แต่ตอนนี้มันก็สงบอย่างตอนนี้ไม่กังวลถึงเรื่องแฟนเรื่องลูกนะเรื่องเรื่องธุรกิจที่บ้านอะไรก็ไม่สนใจลนะตอนนี้ใจมันจดจ่ออยู่กับไอ้เรื่องเนี่ยถ่ายทอดสดอยู่มันก็มีความเพลิดเพลินมันก็มีความสุขในระดับหนึ่งครับคำถามจากปุณกรลวีนะครับคนใกล้ตายเมื่อได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วจิตสุดท้ายมีสิทธิ์ดุดพ้นจริงไหมคะ และถ้าคนผู้นั้นจิตหลุดพ้นร่างกายผิวพรรณผ่องใสจริงไหมคะถ้าเขาสามารถปฏิบัติที่ตามที่พระเจ้าสอนได้ละความโลภโกรธกลงได้เขาก็บรรลุได้อย่างพ่ อ, พ, อพ่อของพระพุทธเจ้าก็บรรลุเจ็ดวันก่อนตายตอนนั้นไม่สบายพระพุทธเจ้าก็เลยมาโปรดมาสอนสอนให้ละความโลภโกรธกลงละความอยากต่างๆพอท่านละได้จิตท่านก็หลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิด ส่วนน่างกายจะผ่องแล้วไม่ผ่องนี่ก็ไม่รู้แหละแล้วแต่แต่โดยปกติมันจะมีความแตกต่างกันระมังตายด้วยความเครียดกับตายด้วยความสมบมันไม่เหมือนกันมันก็มีส่วนคำถามจากคุณพีระนะครับถ้าในบ้านมีปวกควรทำอย่างไรจึงไม่ผิดสิงครับก็เรียกคนยำจับปวกมาอย่าฆ่าเองนะครับอย่าฆ่าเอง <laughs> แล้วอย่าไปสั่งเขายังได้ไห ไปถามเขาว่าคุณที่บ้านมีปลวกทําไงดีถ้าเขาอาสามาผมจัดการให้ก็โอเคอย่าพูดว่าช่วยมาฆ่าไอ้ทีไ ม, ไม่ได้อย่าไปสั่งอย่าไปขอร้องนี่คือโคสโลบายโคสโลบายเหมือนภาพบางทีต้นไม้ตัดไม่ได้มันมามันมาติดหลังคาก็บอกทีก็บอกลูกศิษย์ให้เก่งมากนี่มันเกกดกาลเลเกินว่าทำไงดีอ <laughs> แล้วลูกศิษย์ก็บออ้าวเดี๋ยวผมจัดการให้เองอนี่เราไม่ได้สั่ง เราชี้บอกเราบอกบุญบอกบุญให้เขาได้อยู่แต่ถ้าเขาไม่อยากจะทำํำเราก็บังคับเขาไม่ได้แต่เขาบอกว่าผมไม่ทําหลอก ง, งานอย่างนี้ผมไม่ผมไม่ฆ่าปลวก ấy, ก็แล้วไปแต่ถ้าเราไปสั่งเขาบางทีเขาเกรงใจเราในฐานะที่เรามีมีบุญมีคุณกับเขาเขาก็เกรงใจว่าอะท่ามีบุญคุณกับเราท่านสั่งให้เราทําเราก็ต้องทําอย่างนี้เรามันก็ไปบังคับเขาให้เขาทําบาปแล้วเราก็บาปไปด้วยแต่ถ้าเราบอก บอกอุบายนี่ได้อยู่กุศโลบายใช้ได้อยู่อย่างเวลาที่ญาติโยมถวายของที่ยังที่โบราณเขาคิดว่ามีชีวิตอยู่พวกผลไม้พวกผักที่ยังมีรากอยู่เนี่ยมันยังขึ้นได้ส้มนี่มันมีเม็ดเนี่ยเม็ดส้มถ้ามันเอาไปปลูกมันก็ยังขึ้นได้แคนโบราณเขาคิดว่าของพวกนี้มีชีวิตอยู่ถ้าผ้ากินก็ถือว่าฆ่าสิ่งที่มีชีวิตพระเจ้าก็เลยให้ใช้กุศโลบายบอกให้ถามญาติโยมว่าเธอ ทำให้มันสมควรแก่การบริโภคเยอะหรือยังก็หมายความว่าฆ่ามันหรือยังแล้วลูกสีเขาคนที่จะถวายเขาก็เอาไอ้ผักชีที่มีรากนี้มาหักผมได้ทำให้มันสมควรแก่การบริโภคแล้วครับหรือถ้าซ่อมก็ปอกเปลือกสักหนแสดงว่าฆ่ามันแล้วอาจารย์เวลาถวายของพระนี่จมันถึงต้องต้องมีการมีการปอกเปลือกมีการอะไรเพื่อที่จะได้ถือว่าเราได้ทําลายมันแล้วแกะเม็ดออกไปทิ้งไป เวลาพากินเผื่อบางทีไปกินเม็ดเข้าไปในในท้องนียก็สา่าไปกินของที่มีชีวิตก็เล ย, เลยต้องมีการกระทำก็เรียกวกัปปียะคำถามจากคุณหนูนานะครับเวลานั่งสมาธิตัวหนักฟันหนักแต่จิตเบาคืออะไรคะก็คืออย่างนั้นแหละมันไม่จะเคยไงถ้าจิตเบาก็สงบ ถ้าจิตบาก็าสแสดงว่าจิตสงบแต่อย่างอื่ยมันจะหนักก็เรื่องของมัน<ผ>มการจะหมดามการจะหมดเวลาหนะอีย5นาทีเหลือเหือกี่ข้อทข้อหนึ่งก็ได้ครับอาจารย์น่าจะหมดแล้วครับอ่าคุณตุ๊กติ๊กนะครับใจรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเข้ามากระทบพอทราบว่าสิ่งนั้นมากระทบแล้วใจก็วางเฉยบ่อยเข้าใจก็เกิดเป็นความคุ้นเคยเมื่อมีสิ่งมากระทบใจก็รู้ว่า มีสิ่งมากระทบแล้วใจก็วางไปอย่างรวดเร็วจิตก็เหลือแต่ตัวว่างติดตัวว่างอยู่สักพักเพราะจิตว่างนี้มีความสุขอยู่หลังจากนั้นใจพิจารณาความว่างว่ามีเกิดมีดับเป็นตายลักษณใจก็วางความว่างไปเหลือแต่ตัวผู้รู้ขออนุญาตถามครับว่าปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกแล้วให้สังแต่ว่ารู้ไปไม่ว่าจะเห็นอะไรก็รู้ว่ามันต้องเกิดต้องดับไปอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้ อย่าไปยึดอย่าไปติดพอเวลามันจากเราไปเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเวลามันไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลามันมาเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะเฉยเฉยให้สักแต่ว่ารู้ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของข้างนอกหรือของข้างในของข้างนอกก็ลูกเสียงกลิ่นรถของข้างในก็อารมณ์ต่างๆมันก็มาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปโต้ตอบมันไม่ต้องไปมีปฏิกิริยากับมันให้รู้เฉยเฉย คุณฉลักในธรามถามว่าฟังธรรมของพระอาจารย์เสร็จแล้วแผ่ส่วนกุศลได้ไหมคะก็บอกแล้วไงว่ามันแผ่ไม่ได้ธรรมะนี่ต้องของใครของมันต้องฟังกันเองสมาธินี่ต้องทากันเองแผ่ได้ก็บุญที่เกิดจากการให้ทานเท่านั้นก็หมดหมดคำถามแล้วใช่ไหมก็ขอยุติการแสดงไว้ในเพียงแค่นี้ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้